ซีดีธรรมบัญญายจุดฟันทีไยได้สุดทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์อบุญโตวัชย า, านเวสกรลตัมบุญบางระทึกอำเภอสาม ร, ราษฎร์จังหวัดนครปฐมเรื่องที่ 6. สุขข้างนอกสุขข้างหน้าแต่สุขที่แท้อยู่ข้างในบัญญาติวนที่4ีุมหาพันพุทธศกราช2544 จากที่อ่านหนังสือพ่อที่สำเร็จนะคะท่านได้คุยว่าความสุขที่อยู่กับตัวนะคะความสุขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยากให้ท่านช่วยกรุณาอธิบายให้ญาติๆฟังข้างหนึ่งเพื่อได้ชัดเจนได้ไหมคะค่ะขอความกรุณาครับก็ถามเรื่องความสุขก็มีความสุขในตัวทางสุขนอกตัวความสุขข้างหน้าได้ไหมอันนี้ไอ้ที่มันแน่ก็คือความสุขที่อยู่ในตัวอยู่ในตัวแล้วก็มันก็อยู่กับตัวนี่แหละนี่ที่ยังไม่แน่ก็คือความสุขนอกตัวความสุขข้างหน้านี่คนเรานี่เราม้อจะใช้คาพูดว่าหหหาาาาาาคคววมมมสสุุขขททํํใ้ มองไปได้ว่าอ๋อแสดงว่าเรายังไม่มีความสุขก็เลยหาใช่ไหมก็เลยกลายเป็นการฟ้องว่าเราเนี่ยขาดความสุขแล้วก็พยายามหาถ้าคนที่ขาดความสุขแล้วที่หาความสุขเนี่ยก็จะมีปัญหาขึ้นหนึขณะนั้นตัวไม่มีความสุขขาดแคลนและตรงข้ามก็อาจจะมีความทุกข์อยู่ด้วยโดยมากก็จะมีความทุกข์อยู่แล้วก็ไปแสวงหาความสุขนี่ในเมื่อความสุขไม่มีอยู่เราไปหานี่แล้วถ้ามีคนต่างก็ขาดความสุขหาความสุขกันอย่างนี้เยอะๆก็แย่งกันแย่งกันก็ต้องเกิดยุ่งเบียดเบียนกันเลยตียงชิงกันก็เวลานี้ที่เป็นาามวคขขดสุ ไม่มีความสุขอยู่กับตัวหในตัวก็เท่่แสวยหาความสุขแล้วก็ขัดแย่งกันแย่งความสุขกัเนยเยอะเหลือเกินนี่ก็ปัญหานหนึ่งเนี่อันนี้ก็พูดในแง่ความสุขในตัวนอกตัวทีนี้อีกอย่างนึงก็คือความสุขข้างหน้าก็เหมือนกันนะความสุขข้างหน้าก็อยู่เป็นความหวังแล้วก็ยังไม่มีนั่นเองแล้วข้างหน้าก็รอไปเลยก็ก็อยู่ในแบสวยหากะไรหรือรออะไรเนีคืออาจจะกว้างเพราะว่าอยู่ยังไม่มีด้วยแล้วก็อาจจะหาหรือว่าอาจจะรอนีก็รอด้วยความหวังนี่จริงถ้าไม่มีความหวังเลยก็ยินงทุกข์มากนนนนีแ่อ ก็ถือความสุขที่อยู่ในตัวที่มีอยู่ก็ตัวนี้มันเป็นของแน่นอนอันนี้จะมาพูดแบบนี้ก็เปเชิงวิเคราะห์ศัพท์เท่านั้นเองนี่เราก็ต้องมาดูกันอีกว่าความสุขข้างในข้างนอกข้างหน้าเนี่ยมันยังไงกันบ้างอันี้ความสุขของคนปัจจุบันเนี่ยอันที่หนึ่งที่น่าสังเกตก็คือความสุขที่ว่าอยู่นอกตัวอยู่นอกตัวจะเป็นความสุขที่หวังจากภวัตถุนี่เป็นอันดับที่หนึ่งสิ่งเสษสิ่งวุ่ิพากสิ่งบำรุบรุปลนเปลออะไรต่างๆ ทาตาทะหูทงจมูกทางลิ้นทางกายอะไรต่างๆที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยที่เราไปเที่ยวหากันเนี่ยระหวังความสุขจากข้างนอกเป็นพวกวัตถุมีเงินมีทองแล้วก็นึกว่าจะไปหาความสุขได้อันเนี้ยจะมากเอ๊ะถ้ายอมรับท่านก็ยอมรับว่าไปนความสุขประเภทหนึ่งแต่ความสุขแบบนี้มีข้อจากัดมีจุดอ่อนนะหลายอย่างจุดอ่อนที่สคัญอันหนึ่งที่คนไม่เคยมอ ง, งจุดอ่อนอันอื่นอาจะมองง่ายจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่คนนอกจะมองท่าไปก็คือการที่เราอาจจะสูญเสียอิสรภาพเยทำไมจึงว่าสูญเสียอิสรภาพก็คือว่าความสุขของเราเนี่ยไม่ม อันนี้อีกปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเราจะเพิ่มมากขึ้นด้วยคือสิ่งเสพบำรุงบำรุที่เราเคยจะได้ความสุกนั้นแหละพอชินชาแล้วมันจะเบือ่อเราจะต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มดีกรีเคยมีเท่านี้สุขต่อไปเท่านั้นไม่สุกเลยต้องเพิ่มปริมาณต้องเพิ่มดีกรีก็ถึงจะสุกถ้าอย่างนี้ก็จะสุขยากขึ้นก็จะมีปัญหาสุขยากขึ้นแล้สุขยากขึ้นก็มีทุกข์ง่ายขึ้นด้วยมันก็มาคู่กันนีจะเป็นคนที่ยิ่งอยู่นานไปก็เป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายขึ้นสุขได้ยากขขึึ้้้้นนนนนนตตออองงงมีมงมงีีีีากกกกทททุุแ่่่่เเเรืลยยคคจะ มงเงินสักเทนั้นสักพันสักหมื่นด้วยไหมอจะสุหลือเกินหวังอย่างนั้นเี่ยต่อมาเกิดสาเร็จได้พันได้หมื่นตอนแรกไม้สุผลึกเกินสุเต็มที่เลยเขาต่อมาชักชินชาแล้วทีนี้เกิดหาได้มากกว่านั้นทีนี้หาได้ทีนเยอะทีนลหมุนละแสนเกิดเมื่อไรได้พันหนึ่งที่เคยหวังก็จะสุที่สุดนะต่อมาตัวได้หมื่นได้แสนพอได้พันนี่กลายเป็นทุกเลยนะพันที่ได้ตอนนี้นะที่เคยมีความสุเต็มที่กลายเป็นทุกเพราะว่าไอความสุขนี้ไม่แน่นอนเนี่ก็อย่างที่ว่าเพิ่มปริมาณระดีไปเรื่อย ถาในการยิงโตขึ้นยิ่งอยู่นานไปในโลกนี้ก็เป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุดระยะขึ้นเรื่อยๆในประการหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ที่ว่าสูญเสียอิสรภาพก็ที่ภามสุขไม่มีในตัวเองต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งภายนอกนี่ถ้าสิ่งนั้นไม่มีตัวก็กลัวตัวอยู่ไม่ได้มีความทุกข์นะก็อยู่ลําบากนะยิ่งเป็นคนที่สุดระยะขึ้นก็ต้องพึ่งหลังสิ่งน้นสิ่งนี้เนี่ยอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะนั้นก็หมดอิสรภาพในทางความสุขคือเป็นความสุขกับพึ่งพาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ คือคนเราเนี่ยมอจะมองด้านเดียวว่าเออความสุขของเราเรานี่ยเราจะต้องหามันอยู่ข้างนอกอยงงากดไม่รู้ตัวนึกไปอย่างนั้นก็ไปหาพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งที่จะมาช่วยให้ตัวเองมีความสุขใช่หเาเก่งในการหาเนะี่ยอันนี้ก็เป็นการยอมรับอันเหือเก่งคนนี้เก่งในการหาสิ่งที่จะมาทาให้ตัวมีความสุขแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนะี่ยไม่รู้ตัวว่าในเวลาเดียวกันที่มีความสามารถในการหาสิ่งมาทาให้ตัวีเองมีความสุขเนี่ยตัวเองก็ได้สูญเสียไปด้วยก็คือสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยซึ่งอันนี้คน ถ้าเราเก่งจริงเราอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องสุขได้ไง่ายขึ้นถามตัวเองเลยว่าเราอยู่มาในโลกนี้เราสุขง่ายคือรู้สุขยากขึ้นถ้าเราสุขได้ยากขึ้นแสดงว่าเราเนี่ผิดทางแล้วต้องมีอะไรเกิดปัญหาผิดพลขึ้นมาในตัวแล้วถ้าเก่งจริงนี่มันต้องไม่เสียดุลแล้วเราต้องทำให้ได้ทั้งส อ, งอย่าง <OK. S 2> คือคู่กันพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งที่จะมาทําให้มีความสุขในตัวเอาเระยอมรับทีนี้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองด้วยเนี่ยอันนี้มันก็ด้านภายในจิใตใจแล้วนะแล้วก็ปัญญาด้วยที่จะรู้จักที่รู้จักพิจาาารณททให้้้้ตตัวออองงงมมีีีคสสุขไได่่่ึิภนนนก พัฒนาตัวเองถูกนี่นะอยู่ไปก็มีความสามารถในการที่จะมีความสุงเพิ่มขึ้นก็สุงง่ายคือสุง่ายขึ้นแม้แต่อยู่คนเดียวไม่มีอะไรฉันก็สุงได้เออนี่ก็เก่งก็ดูพระเจ้าอาารเป็นตัวอย่างนท่านไม่ต้องมีอะไรท่านก็สุงใช่้จะไปดูที่ไหนการปงเขาจะลำบากอะไรท่านก็สุได้เท่านั้นนยมันก็ในนี้ก็คือมีความสูงกยตัวดอยู่ในตัวสูงได้ตลอดเวลาความสุมันกลายเป็นคุณสมบัติของเราแล้วไม่ใช่สิ่งภายนอกอันนี้ก็มีอิสระภาพหนึ่งก็อิสระภาพ ไม่เป็นความสุขแบบพื่งพาแล้วมันก็มีอยู่ประตูตลอดเวลากลายเป็นคุณสมบัติของชีวิตแล้วก็มีความสามารถที่จะมีความสุขนะดันั้นอันนี้ที่จุดที่สังเกตคือว่าอยากให้คนเนี่ยพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไปด้วยหืออย่ น, น้อยรักษาไว้อย่างเด็กๆ เ, เกิดมาเนี่ยแกยังมีความสามารถที่จะมีความสุขอยู่พอสมควรใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรมากก็สุขได้แต่หลายคนพอโตไปแล้วความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยมันหายไปกลายเป็นว่าต้องเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกหมดเลยนี่ถ้าเราเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่ง ร่างกายตอนแรกเราก็ใช้มันได้เต็มที่ด้วความสุขภายนอกเนี่ยจะอยู่กับร่างกายที่ดีมีตาหูจมูกลิ้นกาที่ยังใช้ได้ดีทัเกอินซี C, ยังแข็งแรงอินซียังคมชัดอยู่ต่อไปตาหูจมูกกายไม่เสื่อมหมด น, ะน่คนที่ไม่พัฒนาการสามารถที่จะมีความสุขไว้หรืออย่างน้อยไม่รักษามันไว้เลยเนี่ยเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกหมดกนะ็จะทุรนทุรายมากนะอร่างกายเสื่อมอนะินซีนี่ออนแอลง แก่เท่าลงนี้ลำบากไม่สามารถจะมีความสุขทุกเพราะว่าเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกไอ้สิ่งภายนอกนั้นที่เคยได้ความสุขมันก็ไม่สามารถให้ความสุขหาที่เคยอร่อยตอนนี้ลิ้นอะไรต่างบีมันก็ไม่เคยรับรแล้วก็หูตามมนก็ไม่ดีหาความสุขกนสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ไม่ต้องไปรอไปแก่หรอกเพียงแค่เจ็บป่วยันแหละคนที่เอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกก็ลำบากแล้วอ่ะเพราะเจ็บป่วยมีแต่ความทุกข์ทุรนทุรายนีคนที่รักษาความสามารถที่จะมีความสุขวันนี้แก เออเจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรนะก็ยังมีความสุขได้ทาใจได้สบายขึ้นนั่นก็เลยอย่างน้อยก็ให้รักษาดุลยภาพไว้ว่าในขณะที่เราได้อยู่ในโลกมีการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งมาปล้เปลบมาบริหารความสุขนะก็อย่าให้สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขไปเสียถ้าให้ดีก็พัฒนามันไปด้วยให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนีถ้าเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยเราก็ขึ้นต่อความสุขขึ้นต่อสิ่งบำรุงมาบริเรนน้อยลงเราก็จะอยู่ง่ายด้วยแล้วมันจะมีผลตามมาเจ้าหนึ่งที่วิทย์ตควเอง ต้องพูดแต่เพียงว่าต้องมีอันนันถึงจะอยู่ได้ทาไมมีชันายแน่อะไรอย่างนี้เนี่ทีนี้คนที่พัฒนาตัวเองไปดีก็อย่างน้อยรักษาควาสามารถที่จะมีความสุขก็จะพูดได้ว่าเออสิ่งนั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้เพระ้มีก็ดีก็หมายความว่ามักดีนี้ก็ดีเราก็จะได้มีความสุขแต่ไม่มีก็ได้นะใช่ไหถ้าคนที่ยังมีอิสระภาพอยู่บ้างก็ต้องสามารถพูดอย่างนี้นะมีก็ดีไม่มีก็ได้เพระเนี้ยพูดได้ไม่เลยหรทีนี้ถ้าหากว่าเก่งไปก็อาจจะบางอย่างชักชอบอยู่อิสระเนี่ยบอกว่ามีก็ ทีรีกอย่างนึ่งก็ถือว่าคนที่เป็นคนที่สุขได้ง่ายมีความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยก็ไม่ต้องการสิ่งบนุมนุษตัวมากใช่แต่ตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่จะหาสิ่งต่งตางๆมาแต่ตัวเองสุขง่ายแล้วนี่สิ่งนั้นก็เกิดจำเป็นสำหรับตัวเองคนพวกนี้ก็จะไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และจะเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ง่ายด้วยเ่าไหสังคมดีแต่คนที่สุกไม่อยู่กับตัวไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกที่หาความสุขอย่างเนี้ยก็ยังจึงเบียดเบียนในสังคมที่เดือดร้อนมันก็ ก็ยังมีแง่พูดต่อไปคือว่าคนเรานี่ต้องพัฒนาความสุขด้วยเอามื่อกี่ยงพูดถึงเรื่องของความสามารถที่จะมีความสุขนี่ความสุขมันมีหลายขั้นหลายระดับมันอยู่ที่การพัฒนาความต้องการคนเราเนี่ยมันมีความต้องการอั น, นี้เวลาเราสุข ก, ก็คือเราได้สนองความต้องการของเราขอให้พิจารณาดูเถอะเวลาเราต้องการอะไรแล้วเราได้สนองความต้องการเราก็มีความสุขนี่ถ้าความสุขของเราเปลี่ยนไปขออภัยพี่พูดผิดถ้าความต้องการของเราเปลี่ยนไปความสุขก็เปลี่ยนด้วยรับเคยต้องการสิ่งนี้เราได้ก็มีความสุ ทีนี้ความต้องการเ enrolled, น oons, ี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องการอันนั้นอันนี้เท่าน okay, ั้นที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่กระทั่งประเภทของความต้องการระดับความต้องการนันเปลี่ยนไปหมดนี่ความต้องการก็คเราในยุคนี้มันผูกสิ่งล่อเราทากระตุ้นให้เกิดความต้องการประเภทสิ่งเสรโภควัตถุมาใช่จนกระทั่งคนเนี่ยบางทีลืมเลยมองไม่เห็นว่ามันมีแดนความสุขด้านอื่นซึ่งถ้ามันพัฒนาความต้องการไปถึงนั้นแล้วก็จะมีความสุขอย่างนั้นอีกนี่ยเรก็เลยอยู่กับความต้องการสิ่งเสรีภพอว แดนจิตใจเนี่ยตัวสำคัญอันนึงก็คือความต้องการหรือความอยากนั่นแหละพง่ายๆความอยากมันมีหลายประเภทอันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งคือคนไทยเราเนี่ยบางทีจํากันมาไม่ค่อยถูกคือมองพุทธศาสนา่เออพุทธศาสนาสอนไม่ให้อยากคือได้ยินม่เลยพอพูดอย่างนี้ไม่ถูกล่ะพุทธศาสนาท่านให้แยกแยะอย่างนี้ต้องใช้วิธีที่เรียกว่าวิพัชวัคือต้องจำแนกทางพระนี่ท่านแยกเลความอยากมีสอประเภทความอยากที่เป็นอกุศลนะประเภทหนึ่งคือไม่ดีแลวความอยากที่เป็นกุศลประเภทห่และความอยากที่เป็นกุศลนี่แหเป็นตัวสำคัญที่จะพาให้ ขอภัยพระพ่าเจ้าแตสรุแลเนี่ยที่บบเป็นคุธุรกิจโรตุทั้งหลายเนี่ยถ้าเราจะใช้ภาษาไทยเราต้องใช้ตัวนี้นะทรงมีความปรารถนาแต่เราพูดความยากเรารู้สึกว่ามันจะเป็นคำยากใช่ไหมแต่ที่จริงมันก็ตัวเดียวกัน่ะปรารถนาภาษาบาลีเราก็แปลมาเป็นไทยซะความจริงก็แปลเป็นไทยแท้ๆนะไม่แปลนะคือปรารถนามันแปลไม่ใช่แปลคือบาลีว่าปรารถนาแล้วก็แปลเป็นไทยเป็นปรารถนานีถ้าแปลแปลเป็นไทยเนี่ยไม่ไม่ใสงอนะแปลเป็นไทยมันเป็นยากนั่นเองนปนความยากนี่นี่อย่างพระเจ้าน่ะมีความปรารถนาอย่างหนึ่งคือควาะ เ ป, grammar, no ulations, เป็นพ profiles, ุทธลักษณะอย่างหนึ yeah. ่งเลยพระพุทธเจ้าพุทโธเนี nement, um ่ยต้องมีคุณสมบัตินี้ประการหนึ่งในบรรดาคุณสมบัติ10ประการคือต้องมีความอยากที่ไม่ถดถอยคือควาปรารถนาเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเจออะไรไม่เคยท้อเลยนะต้องการจะทําประโยชน์ต้องการจะช่วยคนในพ้นทุกนี้ประสบประสบอะไรพระพุทโธก็เคยถ้อนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามีฉันทะที่ไม่ถดถอยในลักษณะอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีเราทุกคนต้องมีถ้าเรามีอันนี้แล้วเราจะเจริญงอกงามและชีวิตก็จะมีความสุขด้วยความหมายความว่าเราจะต้องกล้าไป นี่ความต้องการอะไรที่เราพัฒนาได้เรื่อย ๆ, ๆเนี่ยเราก็มาดูก็เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจที่สาคัญพัฒนาจิตใจก็เจาะเป็นอย่างยั่งตอนนี้เราจะพูดเ่อพัฒนาจิตใจในเรื่องความต้องการนนแล้วพอพัฒนาความต้องการได้ก็พัฒนาความสุขได้ด้วยอันนี้ต้องการยังไงมีเยอนะไปเนี่ยยกตัวอย่างไปเลยป๋าความต้องการอันหนึ่งที่มนุษย์จะมีความสุขได้แต่ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็ไม่มีความสุขกับอันนี้ในหมู่มนุษย์ผู้ดุชนเนี่ยก็ยังพอเห็นตัวอย่างก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรมากหรอก คนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีความต้องการอันนี้หรือความอยากอันนี้ความอยากหรือความต้องการอันนี้คืออะไรก็คือมีลูปแล้วต้องการให้เขาเป็นสุขใช่เปล่ามีลูกแล้วอยากให้ลูกเป็นสุขหรือต้องการให้ลูปเป็นสุขความต้องการให้ลูกเป็นสุขเราพูดไพ่อพ่ว่าความปรารถนาให้เขาเป็นสุขความปรารถนาให้เขาเป็นสุขันนี้เราเรียกกันว่าเมตตาใช่กบอถ้าเราต้องการให้คนอื่นมาบรรลความสุขเราเราต้องการได้สิ่งนั้นมาทำให้เราเป็นสุขอันนี้เรียกว่าราคาเราอาศัยสิ่งนั้นเราจะได้มีความสุขแต่สำหรับลูกนี่ นี่พอต้องการอย่างนี้ต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการช น, นิดนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องสนองพอเห็นลูกเป็นสุขก็พรอยากให้ลูกเป็นสุขอยากเห็นลูกเป็นสุขพอลูกเป็นสุขก็สมปรารถนาได้สนองความต้องการก็สุขทันทีใช่ไหมเนีอันนี้เป็ตัวอย่างต้องการที่ความต้องการเนีพัฒนาได้นี้ถ้าเกิดคนนั้นมีจิตใจที่มีความรักคนอื่นขยายไปรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักอะไรก็แล้วแต่จะขยายไปได้เท่าไหร่คนที่พัฒนาความต้องการคือความรักหรือเมตตาเนี่กไปได้ก็จะเป็นคนที่มีโอกาสได้สุขมากข สนองความต้องการให้คนอื่นเป็นสุขเพื่อพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขแล้วทาให้ลูกเป็นสุขได้เนี่ยมันก็มีความสุขขึ้นใหม่ประเภทหนึ่งแต่ที่ทำไมเราจะไปสมมติจังกัดประเภทนั้นล่ะใช่ไหมถ้าเรามีเอตัวเมตาหรืความรักนี้กว้างออกไปก็มีความสุขเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนที่เราขยายมันออกไปนั้นที่นี้พออยากให้เขาเป็นสุขก็อยากเห็นเขาเป็นสุขเขายังไม่เป็นสุขอยากทาให้เขาเป็นสุขเนี่ยที่นี้ก็ทำสิเขาทำนี่ทำนี่มันเป็นการช่วยเหลือปูนกันใช่ไหมไม่เป็นเรื่องที่ดีไม่เหมือนอย่างสนองความต้อง ที่ถ้ารักเพื่อนมนุษย์รักไทยรักเด็กรักอะไรเนี่ยแต่กอนเราก็นเน้นารผู้ใหญ่ต้องรักเด็กก็ อ, อยากให้เห็นเด็กเป็นสุขเราก็ทำโน่นทนี่เขาเป็นสุขได้เราต้องเป็นสุขไปด้วยนี่ก็เป็นการขยายนี่วิธีทางนึงที่จะทาให้คนอื่นเป็นสุขก็คือการให้แล้วก็เร่ถือว่าถู ก, กอีกแหละคนเขาขาดแคลนไม่มีลูกของเรายังไม่มีสิ่ง้อส่นี้เราก็มาพยายามทาให้เขาเป็นสุขด้วยการให้เป็นต้นนั้นศาสนาก็จึงเอาจุดนี้ ม, มันมาเป็นตัพัฒนาคนคือหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาที่จะเริ่มในฐานใช เราอยากจะได้นี่มันก็ต้องสนองความต้องการด้วยการที่ได้มาสิเราจึงจะสุขพอให้มันก็เสียไปสิเสียไปก็ฝืนความปละทนก็ทุกใช่ไหมทีนี้ท่านก็ให้สุนให้ก็เป็นการที่ว่ามันจะต้องไปยงกตัวเมตตากรุณาเมตตากรุณาที่อยากให้คนเป็นสุขถ้าเมื่อใดท่านมีตัวเมตตากรุณาขึ้นมาได้ว่าอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยการให้มันก็เปลี่ยนไปสุขได้เลยนั่นกการที่เราให้กับลูกใช่มเราก็มีความสุขจากการให้กับลูกได้พราะแม่ไม่เป็นการเสียสละอีกต่อไปใช่ไหมเพราะว่าเต็มใจลูกเรามีของมา นีถ้าเอาหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ก็ต้องแบ่งกันสินต้องแบ่งเทียงกับลูกแลวเธ อ, เอครึ่งห่ฉันครึ่งหนะอันี้พ่อแม่ไม่เทียง้เด็กร้องสิทธิมนุษยชนจากลูกนะก็เต็มใจให้ลูกแล้วก็พ่อแม่ก็ให้ลูกก็มีความสุขได้ด้วยเนี่ยการพัฒนามนุษย์เวัตถุก็เลยเอาฐานมาเริ่มตน้นเพราะมนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่อาศัยอาศัยสิ่งเสืวัตถุอะไรต่างๆถ้าไม่มีก็แย่นีกก็ มนุษย์เราแต่ละคนใน ม, มุ่งพัฒนาจะเอาเพอตนต้องการอย่างนี้งจะมีความสุขให้เขาเป็นทุกข์ก็มาุขที่นี่ซะมันจะได้ยูร่มเย็นจะให้ต้องมีการพัฒนาคุณธรรมไปด้วยามีเมตตากรุณาอยากให้เขาเป็นสุขนะเห็นใครเป็นทุกข์เราก็ต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กๆคืออันนี้ถ้าไปพัฒนามาตโตเนี่ยเพราะนั้นในสังคมไทยชาวพุทธเราก็พัฒนาตั้งแต่เด็กๆหนู เ, เห็นสัตว์เลี้ยงเห็นอะไรเห็นคนยากคนจนมาอะไรก็หัดให้เขาสงสารเห็นใจนะอยากจะเพแผ่เสสละเเขาเป็นสุข ก็สุดแต่เด็กๆเ็ ก, กมีน้าใจใช่หมเรา ก, ก็เรียกันมีน้ำใจนั่นเองคือมีความต้องการให้คนอื่นได้เป็นสุขนพอเรามีความต้องการนี้เราได้ทาได้ให้เขาแล้วเห็นเขายิ้มยมแจ่มใสมีความสุขเราก็ปลื้มใจมันอย่างญาติโยมที่มีน้ำใจเมตตาการณุณาเนี่ยไปที่เด็กพิการเดีกยนี้เป็นต้นนะก็มีน้ำใจและเมตตาการณุณาสงสารพอเอาอาหารไปเลี้ยงเขาเด็กมันก็รา่าเริงแจ่มใสใช่ไหมพอเห็นเด็กรา่าเรองแจ่มใสเป็นสุขนี่คือเราอยากให้เห็นเขาเป็นสุขอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขก็อยาก เรามีตัวเมตตากรุณาเราก็จะเกิดมีทานเป็นต้นขึ้นมาตลอดจนการช่วยเหลืออื่นๆนะการช่วยเหลือใน ก, กำลังร่างกายอต้องก็มาหมดแหละไม่ใช่เพราะทานหรอกแต่ทานนี่เป็นตัวเริ่มต้นมันเป็นของเห็นง่ายเป็นวัตถุนีพอทาให้นก็เป็นสุขอย่างที่ว่าเห็นเขานัอาญินแยบเบิกบานผ่องใสเด็กเราเริงมยิ้มหัวเราะอะไรต่างๆคนญาติโยมที่ไปเลี้ยงเด็กมันก็มีความสุขไปด้วยอันนี้ก็คือสภาพจิตที่ดีมันเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้โลกอยู่ร่มเย็นความสุขนี่ก็พัฒนาขึ้นมาอันนี้ต่อมาก็ยกตัวอย่างอันหน สมัยที่เราไม่ต้องมีวัตถูเสบานั้นเนี่ยคนจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากเลยแล้วคนเราก็สามารถมีความสุขกับธรรมชาติได้ใช่หมเนยซึ่งคนสมัยเนียหลายคนเลยแปลกแยกออกไปห่างเิอนออกไปกระทั่งว่าไม่รู้จักมันแล้วเรานอนนานๆนั่ น, น, น, น, น, น, น, น, นแหละความขาดแคลนนี้ก็เรียกร้องขึ้นมาแล้วความสุขากธรรมชาตินั้นไม่ต้องจ่ายเสียตังค์แต่เดี๋ยวนี้เราต้องจ่ายแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ธรรมชาติปัญหายากใช่ไหมบางทีต้องไปอยู่ไกลๆต้องเสียเงินขับรถไปไกลกว่าจะได้ไปเจอธรรมชาติคนสมัยนี้ก็ขาดแคลนความสุขด้านนี้สมัยก่อน อย่างน้อยก็ต้องมีสลับให้ได้ดุลในภาพสุขจากการเช้ ว, วัตถุดินล้นวุ่นวายก็ชีวิตก็ไปแบบหนึง่งนี้บางครั้งเราก็ต้องการความสนุกความวิเวง ค, ความสงัดบ้างนี่อย่างน้อยให้มันมีบ้างก็ยังดีอย่าให้ดิ่งไปด้านเดียวนี่ต่อมาก็ยกตัวอย่างมาสอสมอย่างนี่ต่อไปก็จะลึกเข้าไปที่นี่ก็จะไปถึงเรื่องของด้านภายในจิตใจตัวเองแล้นี่ความสุขแม้แต่ที่เกิดจากการมีเมตตากรุณาเห็นคนอื่นเปนสุขเราก็สุขด้วยเลยเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความผูกพันแต่มันก็มี ท, ท ว, ม ว, ม ว, ว่ง เมื่ อ, อูร่วมกันก็มีความสุขดีนะมีความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้ดูลาพังก็มีความสุขได้อันนี้ก็ต้องทำท่าไหนแหละความสุขอย่างเมื่อกี้เนียอย่างถ้าเกิดปจ้างในความผูกพันเาเรียกว่าเกิดเมตตาันรเทงเป็นเสน่หานอกันเนะคือเมตตาเนี้ยมันเป็นตัวคุณธรรมบริสุทธิ์คือความปรารถนาจะให้คนอื่นเป็นสุขแต่สร็จแล้วมันก็อาจจะเกิดความผูกพันขึ้นมาก็เป็นสเสน่หาตอนนี้มันจะทุกมาได้ เราก็ต้องให้รักษาอิสรภาพไปอีกแม้แต่ความสุขในเชิงสังคมเมื่อกี้เราพูดถึงความสุขเชิงวัตถุ ก, ก่อนใช่แล้วเราขยับมาความสุขเชิงสังคมเราให้มีอันนี้ด้วยอย่างน้อยก็ให้มีดุลยภาพแล้วเสร็จแล้วมันก็มีโทษไดอีกถ้าเราความคิดไม่ถูกต้องเราก็เกิดความอ้างว้าไป อ, อย่างที่ว่าเงาเาได้เพราะนั้นก็ต้องให้อยู่ได้ตัวเองมไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนแม้แต่อยู่ร่าพังแม้ไม่มีอะไรฉันไม่มีมวัตถุแต่มีใครอยู่ฉันก็สุขได้ก็อะพัฒนาได้จิตใจไปตอนนี้ก็มีการ แต่ดีเดียวอนันเลยพอได้สุขกรสมาธิในห ม, มัดามมีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับตัวเองคือตอนนี้ไม่มีความสามารถในตัวเองี้มาต้องไปหาสิ่งภายนอกไปพึ่งมันตอนนี้ดูลาพังก็สร้างความสุขได้โดยการพัฒนาจิตใจทำสมาธิจิตใจเป็นความสุขเกิดมีความทุกมีปัญหาเดือดร้อนกระทบกระทั่งภายนอกมแม้จะปัญหาทางเศรษ ฐ, รฐกิจเนี่ยก็ยังมีเวลาให้จิตได้พักไม่ต้องไปอาศัยยานอนหลัก <c oughs> ใช่อนี้สมัยนี้พอมีความสุขทางวัตถุเนี่ยมันก็มีความทุกข์มาทางวัตถุเนี่ยมันต้องมีม <c oughs> ปัญหาแลหละม อั น, นีถ้าหาว่าเราไม่พัฒนาความสามารถภายในที่จะทำให้มีความสุขเราก็ไปพึ่งพงยาไปพึ่งยาแล้วนประสาทยานอนหลับเป็นต้นอันนี้ถ้ า, าว่าเราทาได้เราก็สร้างความสุขในใจตัวเองสิเราก็ยูลาพังเนีเรามีปัญหามีความทุกข์แม้แต่รุ่นเราเล่ ก, กับทั้งมีเวลาปลีกตัวไปนั่งสมาธิตามจิตใจให้สนุได้แต่ทีนี้ว่านีดีแต่ว่าเราต้องว่าไปทุกอย่างจะมีแงดีในเสียนทีนี้ก็ติดสุขเพลินนะทีนี้เวลาได้ทำสมาธิแล้วไม่อยากไปทำอะไรไม่อยากไปไหนแล้วนะอันนี้ก็จะทำให้ประมาทในปัญหา ทาธรรมท่านสอนด้ยเลยนะท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับโกศะโกศะเป็นภาษาบาลีแปลว่าความขี้เกียจความเกียจข้านคือคนที่ในสมาธิเนี่ยมันจะเพลินสบายจิตมันชักจะนิ่งสงบมันก็ชักเฉื่อยชาก็จะทาให้เกียจข้านได้ง่ายนั่นท่านก็ต้องให้ไม่ประมาทไว้ก็ต้องก้าไปอีกออก้าไปยังไงเข้าก้าไปสู่ขันปัญญาคนเราที่จะสุขที่เป็นอิสระและไม่ตกเป็นธาตของความประมาทไม่ตกลุ่มความประมาทเนี่ยก็ต้องไปถึงันปัญญาปัญญาก็คือความเข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเนี่ย เราก็จะมัวมาเอาตามชอบใจไม่ชอบใจเราได้มากเราดูกับจิตใจทางพระดูกับ จ, จิตใจไม่พอนะแม้แต่ทำสมาธิก็ช่วยได้เพียงทุกคราวสมาธิเนี่ยเป็นสุขประเภทั่กคราวแล้กวก็เป็นทำให้จิตหลุดพ้นไปจากปัญหาได้ชั่วระยะหนึ่งเรียกว่าสมาญาคุมุตนี่อันนี้มันไม่เด็ดขาดไม่ถาวารค้ายตกหรือทับไว้ย่านงอกขึ้น่าก็าหินไปทับมันไว้แล้วมันก็ น, นับไปเอายกหินลัไปมันก็งอกขึ้นมาอีกแล้วการสมาธิเนี่ยเป็นระบบนอกแต่กดทับไว้ก็คือระบบทดแทนหมายความว่าจิตของเราเนี่ยมีเรื่อง เข้ามาอยู่ได้โดยที่ว่าไอไไ้ฝ่ายร้ายเนี่ยไม่สามารถมากวณมวายง่งจิใช่มจิตของเราเนี่ยมัอนอยู่ได้สิละสิ่งเดียวใช่มทีนี้เราเอาไอ้ฝ่ายดีเข้ามาทีนี้คนที่มีสมาธิก็เอาไอต้ตัวดีเข้ามาอยู่บตามเลยไอ้เจ้าร้ายเข้มมเามาไม่ได้สดตลอดเวลาเนีมาคุณไม่ได้ทีนี้ถ้ามันร้ายมันอยู่มันมีปัญหาเราก็เอาฝ่ายดีเข้ามาอยู่ใช่ไก็เป็นระบบทดแทนก็เอาปัญหาไลออกไปซะเอาอารมณ์ที่ดีเข้ามาอยู่กาหนดอะไรก็อยู่กันถ้าสุขสมาธิาก็ใจก็นแน่ๆอย่างเนี้ยแต่วิธีนี้ก็อย่างที่ว่าแหละมันเป็น นั้นก็ต้องให้ใช้ปัญญานั้นในที่สุดพุทธสอนนะก็ต้องถึงท่านปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าเรืองคือตรัสรู้ก็บอกว่าปัญญารู้ก็คือปัญญ า, ญญาใช่โพธิญาณโพธิก็คือปัญญาคามตรัสรู้เป็นพุทธาก็คือผู้ตื่นผู้รู้ผู้บุตบานมองเห็นอะไรเขาใจตามเป็นจริงหมดมีปัญหามาก็ไม่ใช่ว่าเอาเอเราเอาตามชอบใจไม่ชอบใจคนเราที่ถ้าอยู่กับจิตใจมันก็จะมีเรื่องชอบใจไม่ชอบใจได้สิ่งชอบใจก็เป็นสุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์นะีสิ่งชอบใจหายไปทุกขนะ์อกีกแหละคือพ่าดพลาด อันนี้ถ้าปัญญามาเนี่ยมันก็ไม่ติดอยู่แค่ชอบใจไม่ชอบใจอย่างน้อยมันก็เริ่มมองตามเหตุปัจจัยนียคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะทิศให้สังเกตุอยูสคัญคือว่าคนเราเนี่ยขั้ น, นต้นเนี่ยอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจเที่ยวแสวงหาสิ่งชอบใจ น, นี้สิ่งไม่ชอบใจอ ย, อยู่เนี่ยอันนี้พอเราเริ่มใช้ปัญญาเนี่ยเราจะเริ่มมองอะไรได้สาตามใหม่คือท่านบอกว่าให้มองตามเหตุปัจจัยนีพอมองตามเหตุปัจจัยแล้วทีนี้จะชอบใจไม่ชอบใจไม่ติ่งเนี่ยมองว่ามันเกิดอะไรมาเป็นยังไงไง เราก็ขัดใจใช่ไหมคนเรานี่มันเอาที่ชอบใจเนี่ยเราก็อยากให้เขาพูดดีกับเราเราไปทักทายเขาก็เคยพูดเป็นทุกวันวันนี้ไม่ยอมพูดด้วยหรือพูดไม่ดีพูดไปเพราะเราก็ไม่ชอบใจเราก็โกรธใช่หมจิตใจของเราก็หงุดหงิดไม่สบายและเริ่มเกิดปัญหเกิดัวเองก็เปลี่ยนซะให้มองตามเหตุปัจจัยมองตามเหตุปัจจัยใช้ปัญญาก็ไม่มองแค่ชอบใจไม่ชอบใจความชอบใจไม่ชอบใจไม่เกี่ยวก็มองว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรเออเาหน้าตาไม่ดีเขาไม่พูดเพราะอะไรนะเขาจะมีปัญหาเขาอาจจะเดินทางมาแล้วต้องออกจากบานอาจจะมีอารมณ์ข้างอาจจะถูกคุณ พอเกิดความรู้สึกมองตามเหตุปัจจัยนึกว่าวาอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มเกิดคุณธรรมคือความกรุณาสงสารเลยนะจิตใจมันเปลี่ยนมันไม่มีความมุดิตะตัวตนไม่เกิดทั้งนี้เราตัวตนไม่เกิดคือัได้ความมองชอบใจไม่ชอบใจมีตัวตนทีเดียวจะมีตัวเราตัวเขาตัวที่ถูกกระบและตัวที่ถูกขัดแต่พอมองตามเหตุปัจจัยตัวตนมันหายมันไม่เกิดมาเลยมันมีการมองสิ่งต่างๆที่เป็นไปเกิดขึ้นอยู่เนี่ยที่วิปัสสนามมาคืออย่างนี้ มันมองไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะสืบคน้นมันก็จะมองหาเหตุผลจิตใจมันก็เริ่มคล้อยไปตามไอ้ความที่คิดพัดว่าอาจจะเป็นด้เขาไม่สมบายใจนะเราต้องไปช่วยเหลือเขาเออตอนนี้เขาอาจจะยังต้องการความสงบเดีว่วี่คนกุนทั้งเลนะเดี๋ยวเขาดีพีนหน่อยรอเราหาโอกาสเข้าไทักถ่ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเราจะได้ช่วยเขาได้เราก็ไม่มีปัญหาด้วยแล้วเราก็อาจจะมีโอกาสไปช่วยแก้ปัญหาหเขาด้วยนี่เรียกว่ามองตามเหตุปปจัจยเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรสถานการณ์ในที่ทางานเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีเ มนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกเราก็รู้จัเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะต้องเรียนรู้ทำไมศึกษาแล้วจะเอาดีไม่ได้นะคนเรานี่ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นมันอยู่ในสัญชาตญาณมันเกิดมาแล้วมันก็เรียนรู้ตามพ่อแม่มาปเดี๋ยวเดียวหากกินได้ก็อยู่ไวเ่นนั้นตลอดชีวิตแต่มนุษย์เรานี่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างจะเดินเดินนัง่งนอนกินดื่มขับทายอะไรไม่รู้ต้องเรียนต้องหัดหมดเลยอยู่กับพ่อแม่ต้องไปสิบปีกว่าจะเลี้ยงตัวได้ใช่ไหมสิเ ป, ปี ย, ยัยเยเนนงเลี้ยนะ ก่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าไม่หยุดฝึกัดศึกษาพัฒนาตัวเองไม่หยุดก็เดินหน้าไปเป็นพุทธเจ้าก็ตั้งสีสมดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่เอาอยู่ดีได้ดารฝึกฝนพัฒนา ต, ตนนะนะพุทธเจ้าตตก็ตรัสให้หลักเราเลยบอกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐในการฝึกต้องย้กันบ่อยๆเพราะคนไทยเราจำไม่คยคบคือคนไทยเราเนี่ยมักจะจแค่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะทางพระท่านไยอมรับนะประเสริฐที่ไหนมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยลองให้อยู่เฉยๆดีใช่ไหมไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยตายอย่างเดียวแล้วตัว พระพุทธเจ้ากตัดว่าในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐนะก็คือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสรเิฐด้วยกัราะเติมวงเลว่าถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐมาั้จไว้เลยเป็นหลักเนี่ยนี่ทไมฝึกแล้วไม่ประเสริฐเพราะนั้นเราต้องฝึกถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยจะเป็นได้กะทั่งพระพุทธเจ้าเลยเราจึงได้ตั้งพระพุทธเจ้ามาเป็นต้นแบบนะที่เป็นสวรรค์นี่ก็พื้นฐานเราอะเราจะมีชีวิตดีประเสริฐได้ก็เพราะฝึกฝนศึกษาพัฒนาตัวเองเรียนรู้ไปอย่างพรุทธเจ้าเนี่ยในชีวิตของเราต้องเป็นชีวิตที่ศ กะังมรณภาพก็เรียน ไ, ยไม่จบเป็นพระอรหันต์นะก็ต้องศึกษาด้วยไปแต่บอกว่าแม้จะมี 1, 7, 80, 1, พรรษาเจพรรษายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องศึกษาตลอดนี่ชีวิตของเรามาเป็นการศึกษายัางไงล่ะเรามีชีวิตอยู่เป็นอยู่เนี่ยเรเจอโนเจอนี่ใช่เจอสถานการณ์ใหม่ใไปที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นเราต้องรู้จักประสบการณ์สิ่งที่พบที่เห็นเราจะแก้ไข ย, ยังไงเราจะอยู่ได้ยังไงไปได้เนี่ยเราต้องคิดาหาทางตลอดเวลาใช่ไหอันนี้คือการศึกษา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 เราก็มีช ท, ทีดีขึ้นใช่มาก็หาทุกข์แ้วก็วมองเราจะได้งั้นต่อไปคนยงงี้จะฝึกตัวเองตลอดเวลาต่อไปเจออะไรยากเนี่ยไม่กลัวนะคนเรานี่พอเจออะไรบางคนนี่พอเจอต้องทานี่ทุก์เลยนี่พอคนที่มีจิตแบบเนี้ยนะจะเรียกว่าิสนุนในการศึกษาหรือศึกตก็ได้พอเจออะไรแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันได้ฝึกแล้วมันจะรู้สึ ก, กว่าได้นะพอรู้สึกว่าได้บรรลั้ทางชีวิตได้ที่แท้จริงเป็นสารกนสาก็จะมีควา ม, มดีใจสุขภาพจิตดีนี่คนเราเนี่ยถ้าเจออะไรง่ายเนี่ยมันได้ฝึกตัวเองน้อยนะอะไรท เพราะนั้นเด็กที่ได้ฝึกไวแบบนี้ต่อไปก็เก่ง แ, กแข็งแรงรูสภาพจิต ด, ดีกันไม่ทุกนะเด็กแบบนี้ไปเจออะไรยากโอ้จะได้ฝึกตัวเองมากใช่ไดีใจนะแต่จะทุกนะเพราะฉะนั้นในพุศาาถ้าถือไม่รู้ทุกเราเอาทุกนี่เราทาให้เป็นภพุฒเจ้าได้ใช่ใครๆไเจอทุกจะเป็นพุฒิเจ้าได้ไงกราต้องกต้องอะไรตะไรสู้ในะเจอปัญหาเจอทุกในเรียนรู้ได้ฝึกตัวเองหมดโดชอปัญหาในเป็นที่รับปัญญาเลยนะใครเอาชนะปัญหาได้คนนั้นก็เกิดปัญญาจริงไหมปัญหาคู่กับปัญญาไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น พอคิดจบปัญญามาปั๊บปัญหาหายไปยเดินหน้าไเีเยอะเลยใช่ไต่อไปนี่ชีวิตจึงจะเริยนรู้ง า, ามถ้าเราดูศึกษาชีวิตมหมาปุลุกทั้งหลายเนี่ยมันาจากการสู้ปัญหาแก้ปัญหาเท่านั้ น, นแล้วอย่างเราทีด้สอบมาเป็นบารมีคืออะไรก็คือการที่เจอปัญหาเจอประสบการต่างๆไม่เคยงดท้ อ, อใช่ไแล้วฝึกตัวเองไปนยิ่งยากยิ่งดีน ะ, ะก็เลยแทนที่จะเจอปัญหาเจอเรื่องลบากเป็นทุกข์ไม่ทั่วมีความสุขตะ ล, ะลอดกาลเลย นั่ได้ทุกอย่างถ้าฝึกตัวเองปฏิบัติตามทำมาแล้วมันมีแต่จะเลยนอกน้ำและนที่สุดก็เป็นชีวิตจประเสริฐมีความสุขอย่เต็มตัวเองใ น, องนที่สุดสุดไปสุดมาได้ครบแล้วก็ไม่อยู่แค่ใ จ, ใจิตใจมกตมาบอกว่าไปปัญญาาปัญญารู้ขใจชีวิตโลกมองตามความเป็นจริงในมองตามเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นก็หม่เอาแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจไม่แต่ความอยากความต้องการแล้วตอนนี้มันพัฒนาไปถึงปัญญาแล้วพี่น้าว่าเออไอสิ่งนี้มันจะสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าเราจะทำให้มันสำเร็ นิสัยว่าทำไปแล้วเออแล้ววเราทำเต็มเหตุผลใจแล้วไม่สำเร็จ อ, อ้าวเขาไปท้อ ม, มันแน่นอ น, นต้องมีเหตุผลใจที่ผัดความแสกใสเข้ามาใช่ไหมมีตัวแปรตัวอะไรเราก็ศึกษาอีกปัญญาเราก็เรียนแหลมคมยิงขึ้นพัฒนาตลอดเวลาแล้วก็ไปดูว่าตัวนั้นยังขาดไปในเหตุผลใจนั้นเราไปแก้ไปเสริมทำข้างหน้าจะดียิ่งขึ้นไม่ประมาทในการศึกษาก็แก้ปัญหาไปด้วยเฉลยก้าหน้าไปด้วยใจก็ไม่ทุกไปด้วยผสมความสเร็จยิ่งขึ้นใช้ปัญญาต่อไปต่อไ ป, อไปมันเคยมันอยู่ได้ปัญญามไม่ได้อยู่ได้ มันเป็นไปตามใจอยากของเราไหมถามไม่เป็นใช่ไหมนทีนี้ถ้าท่านเอาความอยากของใจไปําตักมันเน่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเจอการขัดแย้งตลอดเวลาใช่มเพราะสิ่งทัหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เป็นตามชอบใจเนี่ยจริงไม่จริงเนี่ยรับจำไว้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเราเนี่ยถ้าเราเอาใจอยากของเราไปยึดมันไว้นะ้าเรียกว่าันหาวาตันตุดมันก็กิดกลารเร็นตุกตั้งใจอยากของเรานี่ ที่มาให้เือนป็นกระแสหนึ่งเลยกระแสของความอยากของใจของเราเราชอบใจอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นกระแสหนึ่งใช่ไหมทีนี้สิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เราอยากให้มันเป็นยากระแสใจอยากของเราเนี่ยให้ไปทางเนี้ยแต่สิ่งทั้งหลายมันไปตามกระแสไหนมันเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าเรามีกระแสใจอยากของเราที่มันไม่ตรงกับกระแสเหตุปัจจัยแล้วมันไปทางไหนนีมันไปตามเหตุปัจจัยใครชนะกระแสเหตุปัจจัยชนะใช่ไหมกระแสเหตุปัจจัยชนะเราก็แพ้สิเพราะมันไปตามกระแสเหตุปัจจัยมันไม่ พระฉะนั้นาก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องใจอยากหรือความชอบใจไม่ชอบใจมาตั้งอันนั้นมันเป็นตันหาวปาทานนะเป็นกระแสที่ผิดมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่านก็บอกเอาปัญญามาแทนซะปัญญาเนี่ยมันจะรู้ต่างความเป็นจริงพราะมันรู้เนี่ยมันไปนมองไปที่กระแสเหตุปัจจัยเลยใช่ไหมไอนน้ปัญญามันเกิดเป็นกระแสใหม่กระแสปัญญาคือกระแสความรู้มันจะตรงกับกระแสเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นใช่ไหมกระแสตันหาเนี่ยเป็นกระแสคนตอนแรกกระแสคนกับกระแสความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมันขัดกันกระแสคนก็ถืออยากให้เป็นอย่างงี้ กระแสความจริงสิ่งหลายก็ไปโน่นะตามเหตุปจัจจัยก็ใช้คำว่ากระแสะคนกับกระแสธรรมมาขัด ก, นน ก, นกันกระแสคนก็ถือกระแสความอยากกระแสธรรมก็กระแ ส, ะะแสะความเป็นจริงงเหตุปจัจจัยมันก็ขัดกันอยู่เรื่อยก็ทุบเลยทีนี้พอเราใช้ปัญญา ก็เปลี่ยนกระแสคนใหม่จกระแสตัหาที่ยากมาเป็นกระแสความรู้เข้าใจตามเป็นจริงก็มองไปที่ปัจจัยกระแสปัญญามันก็ตามดูไปตามเหตุปัจจัยลมันก็เป็นกระแสเดียวกันไปเลยพอกระแสคนเป็นกระแสปัญญากระแสคนเกระแสทํากลายเป็นกระแสเดียวกันเนี่ยต้มตึงนไปเลยทีนี่ไม่ขัดกันแล้กระแสปัญญากับรู้ปรจามเหตุปัจจัยมันเป็นตามศึกษามันเป็นคนไปทำไปตามนั้นเนี่ยเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยทำเหตุปัจจัยได้สาเด็จไปสมเด็จกิคนดูเหตุปัจจัยแพัฒนาแก้ไขต่อไปก็อยู่ในปัญญามันก็มทุกเนี่เราะนเป็น อันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่จะให้มองแลาตกลงว่าคนเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็อย่างน้อยก็ให้มองว่าผู้ประกอบกาสอนเราเนี่ยให้มีช่องทางไปได้ทุกอย่างแม้แต่อย่างง่ายในเวลามองอะไรเนี่ยอย่างที่อาจามาบอกเมื่อกี้อย่ามองตามใจชบใจไม่ชอบใจนะมองตามเหตุปัจจัยแล้วต่อมาบอกให้มีจิตสำนึกในการฝึกตนมองอะไรต่อะไรเหตุเรื่องการได้ศึกษาได้ฝึกตัวเรื่อยจริงอยากจริงได้มากอะไรเงี้ยมันก็เดินหน้าไปอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ต่อไปท่านบอกให้มีโยนิสงสิกานโยนิสงสิกานก็ให้รู้จักมองสิ่งต่างๆมองเป็นเนี่ยมองยัง ต้่าทีถูก่นถ้าตั้งท่าทีชอบใจไม่ชอบใจเกิดเรื่องแหนะเราก็ตั้งท่าทีว่าึมองหาความจริงสองมองให้เป็นประโยชน์มองเห็นประโยชน์มองเห็นความจริงอันนึงก็เรื่องหาความจริงของมนไตั้มองเลยใช่ไมเดยเป็นมองสืบสาเหตุปัจจัยไ้แก็หาความจริงไปแต่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นของธรรมามันไม่ต้องหาความจริงัรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ตั้งท่าทีถูกต้องมันก็เป็นเรื่องความชอบใจไม่ชอบใจก็ทุกขทั้นก็เป็นทุกข์เราก็ตั้งท่าทีสม เขาสอนก็ให้มองดีมองแง่ดีเนี่ยต้องระวังเพราะวางทีปการปลอบใจตัวเองและก็กลอบใจแล้วก็เลยหลงพลินไอ้มองหเห็นประโยชน์นี่หมายความต้องใบรยางนจริงมองอะไร อ, อะไรเนี่ยต้องหเห็นประโยชน์ใได้ถ้ามองไม่เป็นนี่อา้าวก็ไปเจออะไรไ่ชอบใจเาเป็นทุกข์หมดไปเจอนะเดินเไปไม้แห้งก็ใจเสียอะไรบางคนแ่เจอไปไ้เขียวแล้วก็สบายเป็นสุขแต่ บ, บางท่านไปเจอไปไม้แห้งเลยสำเร็จเป็น์ตัไปเลยอ่างเงี้ยใช่ไมองให้มองให้เป็นก็มองหาความจริงแล้วมองให้เห็นประโยชน์นั่นเราต้องใช้คติเนี่ยไปเจออะไรมองก็มองให้เห็น ถ้าเป็นขั้นสุดท้ายตามความเป็นจริงก็เป็นสภาวะธรรมชาติมันเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอย่างพวกปฏิบัติทางสมถะสมาธิเนี่ยยังอยู่ในขั้นดีีชั่วๆก็จะให้พิจารณาและเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ว่าอย่างที่พิจารณาสุภาณเนี่ยก็นี่ก็เป็นเรื่องระดับสมถะในวิปัสสนาเขาไม่มีแล้ววิปัสสนามันเป็นปัญญามันไม่มีละสวยไม่สวยไม่เกี่ยวสิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างเดียวกันแหะเป็นตามเหตุบรจัยปรากฏในรูปร่างต่างๆแต่พวกสมถะยังกับการสมาธินี่ก็จะมีแยกสวยไม่สวยเป็นต มักจะเป็นไปตามชอบใจชอบใจอันไหนชอบใจก็ดีอันไหนไม่ชอบใจก็ไม่ดี น, นี่ยอันนี้มันก็เป็นอันตรายอันนี้ก็เลยจะอยู่ที่มนุษย์เนี่ยมาตกลงกันว่าอย่างนั้นนี่เรามองที่ความเป็นจริงเราก็ไม่ถือตามนั้นมองไปอะไรที่มันคนเท่ากับร้ายไปเลยเราก็มองให้เห็นประโยชน์ได้หมดนะมองหาประโยชน์ให้ได้ก็ต้องฝึกตัวเองอะไรที่ไปเจอที่ว่าไม่ดีก็มองให้หาประโยชน์ให้ได้แง่ที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นั่นอย่างฝึกเด็กสมัยนี้ก็ต้องฝึกเช่นให้ดูทีวีดูอะไรตอนนี้ให้เป็นเนี่ยตอนนี้สำคัญเลยการศึกษาเบื้องต้นหนึ อันนี้ถ้ามองเป็นเนี่ยมันก็จะเห็นประโยชน์เอามาใช้ได้พราะนั้นพัฒนาความในการพัฒนาเด็กเนี่ยก็จะมีสองอนสวนกันคือตามหลักท่านบอกว่าให้เรา เ, เป็นกัลย า, นนามิตรใช่ไหมเช่นพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรพยายามหาสิ่งที่ดีมาให้เด็กให้เด็กได้พบเห็นสิ่งที่ดีได้ยินสิ่งที่ดีอยู่เสมอเนี่ก็จะได้สิ่งเหล่า้นมากรองเตาเขาให้ดีชักนำไปในทางที่ดีแต่เราก็ต้องรู้ตัวว่าเด็กอยู่ในโลกเนี่ยมันจะได้แต่สิ่งที่เราเลือกตามปรารถนาเป็นไปไม่ได้เด็กจะต้องไปเจอสิ่งที่ร้าย อันนี้จังทุกขรังหน้าตานคนไม่ชอบใช่มท่านก็ยังให้มองเป็นให้เอาไปอยู่จะไม่ให้ได้เมื่อเป็น น, นิจจังก็ทำไงมันไม่เที่ยงสิ่งที่ไไม่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ่งรอบตัวเราทั้งตัวเราถ้าจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องไปประมาทนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ม ไ, นไม่ได้อีกทหรือทำนี่มันตัวนีหรือว่าเข า, าด่าเราเราก็คนาด่าเรานี่อัอ้วเขาคิดไม่ดีต่อเราแต่เราเปโมไปโกรธกาเป็นโทษเราใจเราต้องไม่ดีไปด้วยแต่คนที่จะมาด่าเราได้นี่เขาต้องใช้เวลาคิดเหมือมนก แล้วบางทีเรามองตัวเองไม่เคอยออกเขาเดนมาเพ่อ ม, มองให้ดีดไม่ได้รับันไ เ, เลมาดา่านี่แกช่วยคิดใ้ฉนตั้งเจ็วันมาด่าฉันนี่ัได้เยอะเลยเอาแง่บ ม, มาคิดปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้เยอะเลยนะทีนี้ถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็ได้่ชอบใจไม่ชอบใจก็โกรธกันด่าดต่อไปอยูท่ทีนี่ใช่ไหมไม่ได้อะไรขึ้นมานั่นกนี่แหละโยนิสงมัลสิการเป็นหลักที่สาคัญเนี่ยตมาพูดมาคนเดียวยาวเยอะแล้วนะให้ญาติดโยมถามบ้างก็งๆเลยเดี๋ยวขออภยัยเคยเรื่องความสุขเลยเลยเรื่องอื่นไปเรื่ อ, อยามต ับทําการต่อเนเรื่องความสุขกันเนี่ยบางครั้งเลยปเรื่องของอัตาไปได้หรักษาคนไข้เนี่ยเรารู้สึกว่ารักษาดีก็เกิดความภูมิใจเกิดความพีใจแต่จริงรักษาแบบเดิมจริง่กตายนะอาจจะเป็นปัญหาว่าคือถ้ามีคนาพูดว่าคือเรื่องของที่บุญกรรมก็ทำมาตรงนี้เนี่ยท่อาจารย์อย่างไรแล้วก็จะสร้างอย่างไรให้ว่าเรานั้นเนี่ยสร้างความพินอสุขก็ทำต่อไดเลยในเรื่องความไม่อัราขึ้นไดเลยนะจะตัดอย่างไรคืออัตราเนี่ยมันจะมากับปัญหาแล้วก็อุปทานก็คือความอยาก เป็นเพียงว่าเราไม่ประมาทและระวังให้มีสติคอยกำกับิฉนั้นเราก็จะเพื่อเธอลงตัวเองก็จะเกิดว่าโอ้เรารักษาได้เก่งนี่ันแน่เอาแล้วนิิริบารตาเกิดต น, น ม, นนมาหนามนวฉันเงก็จะไม่ดีพอยุดอย่างนี้ึ้นมาแล้วก็มีโอกาสกระกระทางมากเพราะฉนั้นถ้านจงบอกให้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือว่าเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยในขณะที่เรารักษาคนไข้เราทาความดีเราอยากที่ว่าเช่นเราอยากให้เห็นอยากเห็นคนไข่มีความสุขเนี้ยเทำให้คนไข่มีความสุขได้นี่คุณหมอจะชื่นใจเลยไหม S <S <an> เราไ้ตั้งใจหนึ่งในแง่งานเรากต้องการให้ทางานได้สำเร็จผ ล, ลาารลักษาคขหายองแง่ของความสัมพันธ์รว่ามนุษย์เราก็ปรารถนาดีต่อันเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์มีความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์นั่เรียกว่ากรุณาอยากให้เขาปสุ ข, เ ข, สขนเรเมตตาเนพอเขาหายโรคมีความสุขสมใจเราเราก็เป็นสุขด้วยแล้วก็นอกจากสุขก็คือมีปิติมีความิ่มใจปลื้มใจโดยต้นเข้าม า, านี้ก็ท่านก็ให้ระวังตรงนี้แหละพรปลื้มใจแล้วก็จะเกิดอัตราขึ้นมาได้ตอนนี้ ก็เราก็ตือท่านบอกให้มีสติกำกับก็กระวังับประมาทแต่ประมาทก็หมายความว่าให้ดูว่ายังมีจุดอ่อนจุดที่ต้องแก้ไขที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้การทางานครั้งต่อไปน้ได้ผลดีขึ้นถ้าอันนี้ยังมีจุดอ่อนยังมีแม่จะหายแต่ว่ายังมีไม่สมบูรณ์ของนี้ตรงนี้อ่าตอไปจับจุดไปได้แล้วรักษาขับต่อไปคนต่อไปจะดีกว่านี้ใช่ไหมหรือ ว, ว่าคราวนี้รักษาได้เต็มโดยสมบูรณ์นั่นแหละ่มั้ากทควจะเป็นถ้ า, าเราเอาเปลี่ยนกระบวนการมีเติมปัจจัยในนี้ในนี้เข้ไปต่อไปแต่รักษาได้ส ถ้าเราศึกษาตลอดเวลาใช้ปัญญาอยู่เรื่อยไอ้อัตตามันดึตัวขนนึ้นมาอยางใช่ไหมอัตตามันต้องจับตัวใช่หเราไม่ให้โอกาสมันจับตัวเราเดินหน้าไปเรื่อยกระแสของทกระแสปัญญามาเดินไปอพอจะเห็นได้เลยว่าเรียนทำเรื่องนี้ต่อะคะคือเรือร่องที่ว่าตรวจ ร, รักคนไข้นคะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้าเขาก็หายหรือไม่หาย <S <S ถ้าพูดถึงความเป็นจริงก็คือเป็นเรื่องของเขาใช่จ๊ะค่ะ ยคือว่าจริงๆแล้วก็เเห็นคืออย่างที่หมอเหมือนกันว่ารักษาก็รักษาอย่างเดียวกันใจก็ใจดงเดิมที่กเขาหายเหมือนกันแต่เขาจะหายหรือไม่หายนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ <c oughs> ท่านบอกว่าเออต้องมีปัญญาที่จะต้องแก้ไขก็เรียนถามท่านว่าจริงๆแล้วที่ท่านพูดถึงเรื่องก็ก็่งไปถึงเรื่องที่ท่านพูดถึงเรื่องของกระแสลมนะคะ <c oughs> เรื่ออันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เราที่เราเกิดมาอยู่นี้ที่ที่ก็ทราบเปนอยู่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ที่ประ ก่อนว่าผู้ที่เขาสอนอะไรตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญญาพอที่ไปรู้ว่าตรงนี้มีปัญหาเกิดขึ้นด้นางแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาได้จ้าก็กลับไนถามท่านจค่ะว่าวิธีการที่จะทำตรงนี้จคะ่ะจะทาได้สักแค่ไหนสำหรับผู้ชมที่ยังทำ ง, งานอยู่ตรงนี้จ้ราวพี่ไ่ประเด็น <laughs> <laughs> าอะรลืมประเด็นไลปลย <laughs> ประเด็นแรกเรืของการรักษาก่อน <laughs> เลยเลยหมอให้่อนจ้ายอีกทีสิคือประเด็นที่ถามว่าจริงๆแล้วเรื่องกลับไปถามท่านอาจารย์ว่าจริงๆก็คือเรื่องของหมอที่รักษาคนไข้กับการที่คนไข้หายไม่ได้เกี่ยวข้อง ขรักษาก็หายไม่รักษาก็หายรักษาก็ตายไม่รักษากตายถ้ารักษาจึงหายถ้าไม่รักษาตายก็ยัน่งแล้วอะไรกันนะนรักษาไม่รักษากตายรักษาไม่รักษาก็หายเนี่ยใช่ใช่เลม้งมันีที่นีอันเนี้ยมันมีอันที่ว่าทําไมรักษาตายเนี่ยเพราะฉะนั้นหมอจเป็นอยู่ก็คงอยู่ในประเภทเดียวในสีประเภทใช่เลยก็เนียประเภทที่ว่าารักษา จึงหายทรักษากตายนะหรือมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นและบกพร่องอยู่เลยไปนันก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมครับว่ามันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องแก้ไขด้วยฝีมือหรือการะทำหรือบวการรักษาของแพทย์แเหตุปัจจัยส่วนนี้ที่จะมาอาศัยแพทย์ที่ว่าทาให้รักษาแล้วตายนะก็เราก็พูดกลางแล้วก็คือมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนั่นก็เหตุปัจจัยเนี่ยมันมีหลายอย่างและเหตุปัจจัยเนี่ยมันยักยุ่งได้นัเลยหมดโรคบางอย่างเนี่ยคนไข้เขารักษาก็หายเนี่ยไม่จาเป็นต้องให้หมอร วีเหตุปัจจัยทางกาเหตุปัจจัยทางใจเหตุปัจจัยทางปัญญาถ้าใจเราเย็ไปเยอะเหตุปัจจัยทางอุตุทางอุตุคือสภาพแวดล้อมเหตุปัจจัยทางพืชทางพันธุกรรมเหตุปัจจัยเยอะหมดเลยอุตุนี่สภาพแวดล้อมนะแล้วก็เรื่องคีชะนิยามื่กฎเกณฑ์ทางพันธุกรรมก็เรื่องของการกระทำคือกรรมของมนุษย์กรรมของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งอันี้แต่เราปัจจัยปัจจัยเราเนี่ยเราต้องทันนี่อย่างบางคนเนี่ยแกอาศัยแพทย์ื่วรักษาทางด้านอุตุนะคือทางปัจ นั่นมันไม่ใช่ตัยตัวการรักษาไม่มีคําตอบที่เด็ขดขาดนะนอกจากบางเรื่องบางเรื่องก็ตอบได้ตรงไปเลยแต่เรื่องทั่วไปนี่บอกว่ า, วามัน ย, ยับยึงหยุดยุดอยู่ <okus> อ <Bhar> ้าแล้วทีนี้ก็ย้อนมาที่ว่าเรื่องของอาอเรื่องของการศึกษาด้วยนี่การศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าทําให้ชีวิตดีขึ้นคือเราสามารถเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนี่คือการศึกษานะเรามีชีวิตชีวิตเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนี่คือศึกษาแหละก็คือฝึกทําให้มันอยู่ได้ดียิ่งขึ้นแล้ว เ, เคยอยู่อย่างเนี้นะเราเคยทําอะไรก็ทำไม่เป็นนะเราเจออย่าาาาง้้กก็ติดดทํไเเพรระฝึ เราเรียนรู้วิธีทาเราก็ทาได้ใช่ไหมเราก็เป็นอยู่ได้ดีขึ้นในด้านพฤติกรรมการใช้ภาษสีเร้อก็ศึกษาหรจิตใจของเราเลาเจอเรื่องอย่างนี้เราท้อแท้หดูมีความทุกข์แต่ว่าเราฝึกพวกเราใหม่พอเจอแล้วจิตใจของเราสู้เราเขมแข็งเราไม่เสียใจไม่ท้อแท้อันนี้ก็ศึกษาว่าเราไม่รู้ในสิ่งนี้ต่อมาเราหาวิธีคิดแล้วสื่อคนอะไรต่างหาทางแล้วก็แก้ไขได้ทาได้นสเร็จเกิดความรู้เข้าใจขึ้นมาอันนี้ก็ศึกษาเท่านั้นนะคื อ, คอทาให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีขึ้ น, นเราเรียนการศึกษาละเรียนรู้ แต่ว่าสถานการณ์ใหม่อันนั้นประสการณ์ใหม่อันนั้นเทีมเป็นเรื่องที่ว่าเราแก้ไขจัดการได้ง่ายเราก็เลยไม่รู้ตัวศึกษาใช่มที่จริงเเราต้องพยายามตลอดแหละเราเจออะไรใหม่เราก็ต้องเรียนรู้จักมันว่าคืออะไรเราเจอสถานการณ์ใหม่เราก็ต้องหาทางว่าจะปฏิบัติตัวต่อสถานการณ์นี้อย่างไรใช่หเหมือนอย่งยางญาติโยมมาวัดเนี่ยพมาก็ต้องเรียนรู้เจอสิ่งใหม่แหละก็โยมก็ได้ศึกษานันการที่จะทาให้ชีวิตเนี่ยมันไปนอยู่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการศึกษา ใช่ยังไม่เลยทีนีแม้แต่ที่ว่าเด็กไปเท่าโรงเรียนอะไรต่างที่รกระบวนการศึกษาปฏิบัตก็คือการพยายามให้เป็นอยู่ได้ดีขึ้นแหละแต่ที่นี้มันบางทีมันไปเน้นเป็นรูปแบบเป็นอะไรเไกินไปเ็กกระทั่งือว่าไอตัวสารการศึาอยู่ที่ชีวิตเรานี่แหละที่จะพยายามเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตลอดเวลานี่ถ้าเรารู้หลักเกณฑ์นี้แล้วบางทีเราไม่ต้องไปอาศาัยโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมเราก็ทำให้ชีวิตของเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นทางด้าพฤติกรรมการสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดลอ้อมคือชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่สามด้านด้านท กายทํานน้วนิวจาพูดน่แล้วก็คิดเนี่ยางกันนิทานสแล้วก็เราก็มีวิตทางทั้งากับทางทั้งนี่แล้วก็ต่อมาในความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม อ, อันหน่ที่สัญก็คือารเสพบริโภคสิ่งต่ตางๆคือไทไม่สยนี่เป็นชีวิตของเราที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาอยู่กับเผ่อมนุษย์อะไต่างๆ ท, ทั้งหมดเนี่ยแดนเนี่เป็นแดนใหญ่ถ้าเราเป็นอยู่ได้ดีขึ้นเรากินอาหารเป็นได้ประโยชน์เราไม่เคยกินกินแล้วเป็นโทษในชีวิตแล้วเราสให้กินเป็นได้ประโยชน์ขึ้นก็เป็นอยู่ได้ดี ความรู้สึกต่างๆความโกรธความเกลียดชังนึกความดีงามความรักความมีศรัทธาความมีใจผ่องใสเบิกบานมีความสุขมีปิติอิ่มใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหรือความเข้มแข็งอ่อนแองของจิตใจความหดหูท้อแท้ มีความมีใจสู้เข้มแข็งมัน่นคงมีสติมีสมาธิพวกนี้เป็นดจิตใจทานั้นทีนี้คนเราอยู่ไปถ้าเราฝึกให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมีจิตใจเบิกบานความใสสดชื่นได้มากขึ้นแล้วมีคุณธรรมมีความรับเมตตาได้มากขึ้นมีความท้การที่ดีได้มากนี้ก็ศึกษาใช่ไและได้ปัญญาคือความรู้นีมองสิ่งต่างแล้วได้ความรู้อะไรเป็นอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรเนี่ยแล้วอันนี้ได้ประโยชน์อะไรได้บ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอรเรียนรู้ไปรู้เข้าใจได้ปัญญาแล้วมาใช้ ศึกษาคือเป็นอยู่ได้ดีขึ้นก็คือสาแดนเนี่ยอดูแดนที่1 2ึ0 0สองัรอบดีขึ้นไหมสองแดนติดใจดีขึ้นไหมสามแดนปัญญาดีขึ้นไหมไม่ว่าดีขึ้นในแดนใดนี่คือศึกษาเท่านั้นและเด็กไปโรงเรียนก็ จ, จะได้ส่วนหนึ่งก็คือไปรู้สิ่งที่ครูได้สอนใหม่ๆเอาไปใช้ชีวิตได้ส่วนหนึ่งของแดนหนึ่งแต่ว่าถ้าแกเอาแค่นั้นแลแศึกษาไปไม่รอดหรอกเชื่อไหมเลย่อศึกษาที่แท้จอยู่ในชีวิตเลยต้องให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นอยู่ได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้หลักนี้แล้วเราจะอาศัย หเราอาศัยโรงเรียนสถาบัการษาน้อยลงสงเราใช้ประโยชน์จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาได้ดีขึ้นนีอันนี้เป็นสคัญห อ, อย่างแต่ถามว่าเราจะใช้มันเราจะใช้เป็นใช่ไหมเราไปโรงเรียนแล้วเด็กคนนี้ได้ประโยชน์โรงเรียนนิดเดียวไปมหาวิยาลัยก็ได้ประโยชน์จากมหาลัยนิดเดีย ว, ว, ย ว, นนดดยวแต่พอเรารู้จกักศึกษาได้ประโยชน์เต็มที่เลยไม่ว่าไปอยู่ในสถานการณ์ไหนด้วยบอลมีอะไรถามอาจารย์ค <c oughs> ่ะ่าบวเมื่อกี้นี้ท่านได้กล่าวถึงความสุขสามแบบคือความสุขแต่ภายในภายนอกและก็ความสุขข้างหน้า ไม่ทราบว่านได้พูดถึงความสุขข้างหน้าแล้วหรือยังคะอ๋อพะจริงมันก็ผลโผลนอยู่อะมากคนก็จะหวังความสุขข้างหน้าที่บอกว่าหาความสุขใช่มมันยังไม่มีคุขข้างหน้าก็หวังมนเรื่อยไปคนีนี้ก็จะมีแบ่งคือถ้าเป็นความสุขข้างหน้ามันก็จะเปสพานกับความหวังพอคนเรามีความหวังในสิ่งที่คู่กันมันก็จะมาทนที่ีความหวัดนหวังคู่บาดพราะหวังก็บาดนหวังก็จะได้ก็บาดก็อาจจะไม่ได้ใช่ัหมแต่ที่จริงก็คือมันยังไม่มีเพระฉะนั้นคนที่ยังไม่มีเราหว คนที่ยังมีความหวังก็ยังมีสุบอทุกมีบาดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สุบนั้นแล้วก็สามคนที่ผิดหวังเป็นที่แย่อีกะใช่ทีนี้คนที่สีนี่สาคัญมันมาคล้ายคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งกคนที่ไม่มีหวังใช่มแย่เลยเพราะแกเนี่ยก็อยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แตก็ไม่มีหวังเลยก็จะได้ทีนี้มีคนประเภทหนึ่งคือคนที่อยูได้แต่ไม่ต้องหวังเออถ้าเรียกสั้นๆทะเลาคนที่ไม่มีความหวังเหมือนกันนะเพราะนั้นคนที่ไม่มีความหวังก็ต้องแยกเป็นสองประเภทคนที่ไม่มีความหวังก็คือว่ามันอยากจะได คือคนที่อยู่โดยไม่ต้องหวังมบกสุขตลอดเวลาคือพัฒนาจิตใจตัวเองจนรทังมีความสุขเปี่ยนตลอดเวลาเจ้าอามาบอกแล้วมีความสุขเป็นคุณสมบัติของตัวเองของจิตใจเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของพระอรหันต์ที่มีอันหนึ่งบอกว่าผู้ไม่มีอะไรจต้องทาเพื่อตัวเองอีกต่อไปคนที่ยังต้องหาความสุขยังต้องพัฒนาสุขนี่ก็เพราะยังมีอะไรต้องทาเพื่อตัวเองพราะฉะนั้นมันมีอน้ติอยู่อันหนึ่งแม้แต่พระโธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ยังเป็นผู้ที่มีอะไรจะต้องทาเพื่อตัวเอง และมีความเข้มแข็งมีความเฉสลัเต็มที่ที่จะทำในความดีมีปณิธานปณิธานก็ถือว่าตั้ใจมั่นเด็ดเดียวจะทำอะไรทำให้สำเร็จเนี่ยคุณสมัติที่เรายกย่างพรโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์ก็ยังมีอะไรต้องทำเพื่อตนะแต่พระอรหันต์เนี่ยระสตรงนี้คือไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนแล้วสมบูรณ์ความสุขสมบูรณ์แล้วคนที่จะทำเพื่อสบูรใ์้เต็มที่มันก็อยู่ที่นี่แหละก็คือมีความเต็มอรหันต์มีความสุขอยู่ในตัวเองตลอดเวลาไม่ทันถ้าจะนั่งจะเดินที่ มีคุณธรรมมีความสุสมบูรณ์แลได้ดูที่ไหนก็ได้เยดูยที่คนที่เขาว่าทุกทนสมบใช่แล้วาก็าเดินทางไปจะไปนอนกางดินกินกลางทรายก็ได้ถ้าไไ ก, กา็ได้ในพุทธเจ้าใช่ในพุทธประวัตินะทไมเหจะต้องบรงบอะไรเนี่ยไปิาไปเดินทาปล่ไปแต่ใจมุ่งไปแล้วว่าจะไปที่ไหนเป็นหลดไนก็มุ่งไปที่นั่นนก็มีความสุขะไมไ่ทุกมีความสุขตลอดเวลาาทปิดนาทีอย่างนี้ก็้าเรามีคันทที่ไม่มีลดหายไปไหนเลยต้องการทาอะไรเพื่อประโยชน์สุขก็ทำได นี่คนทั่วไปเนะี่ยมันมีตัญหาอยู่คือมันมีตัวตอนอยู่ว่าเราจะทำานั้นทำไมมันทำไม่ได้อย่างนี้เกิดทอะนะ้ออีกและน่แรงมันก็หายไปนี่พอไม่มีตัวตนอันนีน้มันก็มีความเต็มอิ่มแล้วก็มีตัวพลังความที่ต้องการจะทำประโยชน์สุขก็ไปเรอยๆทำไปกำลังก็ไม่ถดถอยแล้วมีปัญญาที่รู้ข้ามใจเหตุปจัจจัยทั้งสร่งต่างๆมันก็สมบูรณ์ใช่ไหมทา้งด้านจิตใ จ, จก็สมบูรณ์ด้านปัญญาก็สบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรและการคนสบัติขนาดนี้ที่สำคัญถ้าเราก็เรียนแบบท่านอาจารย์ แต่เพียงถามนะคะพีมีเพื่อนที่ตอนเขาอายุสักประมาณ20กว่าเคยมีมาดูพักว่าก็จะตายด้วยโรคลมนะคะแล้วพอผ่านมาตอนช่วง น, นี้นอายุ44เขาก็เกิดเป็นโรคลมลมทักที่แบบสติไปเป็นพักๆ ก, ก็เลยเกิดความกังวลแลก็มีความคิดว่าอยากจะไปหาพระเกจิอาจารย์ให้ช่วยทำเาเรียกสังสง ส, งสกุลบสกุลเป็น อ, อาเียถามท่านอาจารย์ว่าไอ้บางสกุลเป็นมีประโยชน์จริงหรือเปล่าและสามารถช่วยได้จริงหรือเปล่าคะเพื่อที่จะตอบคำถามเาให้ได้ตอนนี้เากลังกังวลอยู่นะคะนี่มันก็เป็นปัญหาเรื่องีวิคนตอนนี้มันมาเข้าอีกแดนหนึ่ คือเราเนี่ยอยู่ในโลกอยู่กับความไม่รู้นี่เยอะเลยใช่มชีวิตของเราเราก็ไม่รู้วันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้มายัางไงเราก็ไม่รู้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยก็าทาให้เกิดความกังวลลึกมาก น, นก็อาศัยไอ้พวกสิ่งที่จะมาช่วยด้านจิตใจเพื่อจะมาลดอนานาจของความไม่รู้ที่ทาให้เกิดความหวาดกลัวือเราไม่รู้นี่มันจะกลัวนะใช่พอรู้แล้วจึจะหายกลัวนะไอ้ความไม่รู้มันก็เป็นที่มาสาคัญมันมาผสมกับความอยากเราอยากมีชีวิตอยู่เราอยากมีความสุขอย่างนั้นแล้วเราไม่รู้มันจะสำเร็จหรือเปล่าอะไรจะทำให้สำเร็จพอไม่รู้ คนเราเนี่ยทำให้กระตูดด้วสภาพจิตของตัวเองเช่นความกลัวก็มาทำลายบ่อนทลาชีวิตของตัวเองเยอะเพรนั่นนนเวลานี้ที่บอกว่าการแพทย์ทางเลือกนะเริ่มไปไเลยในตอนตกโดยเฉพาะอบริการในกำลังฟื้นฟูนฟนกาลังนิยมก็เพลินี่แหละก็ะมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าที่วิทยาศาสตร์จะเข้าใจใช่ัหมชีวิตมันไม่ได้มีแต่ร่างกายเนี่ยมันมีจิตใจแล้วจิตใจมันละเอียดอ่อนมากอันนี้ด้านนี้ที่ว่าการรักษาที่แต่ก่อนการแพทย์สมัยใหม่ไม่ยอมรับฟังเลยเอาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อวานนี่เองคุณหมอที่สิงคิร่า นีก็บอกว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยคือท่านได้คว่าอเมริกากำลังเป็นหัวหอองการแพทย์ทางเลือดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ตอนนี้เรียกว่าออทเนติกเมดิซินการเลือการแพทย์ทางเลือดเท่าั้เลยตอนนี้ใช้คำหนึ่งมาแทนได้เรียกว่าคอมพลีเมนทรีเมดิซินใช่เลยพออันนี้ก็หมายความว่าในตอนตกอย่างอเมริกาเนี่ยยอมรับเรื่องการแพทย์ทางเลือดนี้มากขึ้นนการแพทย์ทางเลือกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็โยงไปหาชีวิตของมนุษย์ตาที่เป็นจริงที่เป็นอยู่ในธรรมชาติสิ่ ที่มีการสอนเรื่องการแพทย์บางแห่งก็มีกวดนิทสมาธิทสมาธิรักษาอะในอเมริกาเนี่ยแต่นในเมืองไทยเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยบางแห่งเนี่ยในโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์สมัยใหม่เนี่ยพูดเรื่องการแพทย์แบบพื้นเดิมการแพทย์ทางเรื่องนี้ไม่ได้เลยไม่ยอมรับเลยบาแห่งแ่คหอแต่เดี๋ยวนี้เน่เริ่มเอาเข้าไปแล้วโรงพยาบาลสาขา่ราสู่บแห่งนี่เอาหมอนวดแผนเก่าเข้าไปนวดในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยอาการฝังเ็มฝังอะไรก็เข้ามาอันนึงก็คือเรื friend, manga, new, ่องจิตใจเอ๊ะเรื problem, problems, ah ful, ่องจิตใจมาเป็นแดนที bad, ่มาของคนถามกุุ ก็มีปุตตุก็คือสภาพแวดล้อมมาจากพีชะเนเรื่องของกนุกกรรมอะไรกรรมพันธุ์อะไรพวกนี้ก็มีแล้วก็มาจากเรื่องของกรรมก็มีเนเรื่องของการกระทต่อกันการบิดพันธุ์ของปังปจจัยภายนอกเนี่ยเช่นว่าคนมาทุบเราอะไร่ น, นีก็มีนและด้านแดนของจิตนี่ก็มีเรื่องอ่นี่เป็นตัวสำคัญนีกรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงต้องกรรมทัดก่อนนะกรรมก็คือกากระทากากระทาก็มีความหมายตั้งแต่หนึ่งการ ก, การะทำทางใจได้กความคิดความรู้สึกสภาพจิตความรู้สึกความทุกข์ความรู้สึกกังวลความหวา ก็กรรมทางใจแล้วก็มากรรมทางวาจาแล้วก็กรรมทางใจเนี่ยนกรรมทางใจเนี่ยเป็นแดนสาคัญนี่คนเราก็สะสมกรรมตลอดเวลาเราคิดา เ, เราก็มีกรรมแล้วเราก็มีเนี่ยไอตัวผสมก็ความตั้งใจอะไรความหวังอะไรความกังวลอะไรความกลัวอะไรความรู้สึกที่ทาให้เครียดเนื่องไากความหงุดหงิดอะไรความกรธทุกอย่างเนี่ยมาูในใจแล้วมีกรรมมีเจตนาประกอบพอมีเจตนาประกอบก็เป็นกรรมท่านั้นเลย อ, อันนี้ตัวเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกแล้วมันลงลึกมากคือแม้แต่เราไม่รู้ตัวมันก็ทำงานตลอดเวลาใช่มบางทีมันไปออกในความฝันนยยีมันก็ปรุงแต่งจิตเราให้เป็นรย่งนี้บาง ก็ตัวนี้มันก็ทำงานปรุงแต่งชีวิตขอเราตลอดเวลาแล้วก็ทาให้เราเกิดอาการนู่นอาการนี้รวมทั้งโรคไขเจ็บด้วยดันั้น <S <S เหตุปัจจัยด้านกรรมวิญามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ถามเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ที่อันนี้ด้วยนี่ถ้าหากว่าเรามีความไม่รู้เรามีความอยากแล้วทาให้เกิดควา ม, มาวัดร้อนนี้อยู่เราก็ต้องหาทางมาแก้ความรร ว, า ว, วัดร้อนนี้เพราะวัดร้อนตัวนี้มาปรุงแต่งชีวิตเราแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการเพรโรควิญญาณขึ้นนะบางคนกลัวเป็นเครียดเลยและจากความเครียดนั้นก็เกิดอาการในอวัยวะ ข, ขึ้นมาก็เป็น ป, ปัญ ลดกำลังขอกำที่ไม่ดีเช่นความวิตกกัวเนต้นแล้วก็ไปแก้อาการนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องบางสกุลเป็นบางสกุลตายถ้าคนมีความเชื่อมากก็จะเกิดผลมากถ้าไม่เชื่อก็มีผลน้อยเพราะว่าให้ตัวรูปแต่งจิตมันมีศรัทธาเป็นต้นทั้งหมดแล้วถ้บรรยากาศอย่างเวลาไปเนี่ยเราไม่ใช่ไปไปถึงบงสกุลนะไปที่วัดไปเจอพระได้บรรยากาศจิตใจบิกบานผงจใจใิตใจหาคลุนคิดหายเครียดหายคุณมัวบิานผ่เพื่อพืนได้ปัจจัยไปดีได้ทุนดีเข้ามาแล้โดยไม่รู้ตัวหลายๆอย่างมันเข้ามาเลยนะเนี่ แล้วก็พอมังสกุลเป็นมัสกุลตายกโล่ใจปใช่มล่ะก่อนอันนั้นมันก็มีพ้นแต่ว่ามันอยู่ในระบบของธรรมนิยามเนี่ยรวมแล้วก็คือการรักสารด้วด้านจิตใจนแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ตัวเราก็ไม่เป็นตรวอาศัยระบบนี้เรียกว่าอาศัยปัจจัยภายนอกมันช่วยสร้างุงปัจจัยภายในก็คืออาศัยพระภิกษุอาศัยบรรยากาศแวดล้มอมมันชักจ้งให้จิตนี่ดีขึ้นนีถ้าเราเก่งเราก็พัฒนาตัวเองเราก็สร้างสภาพจิตที่ดีขึ้นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเอา้าให้ปฏิบัติทำแล้วให้สร้างสภาพจิตต่อไปน ไปคุ้นหัเศ้ามองน่าเร่งเบิบาใจปรามดอปีติอิ่มใจให้รู้จักเก็บปติจากสิ่งเล็ก ๆ, ๆน้อยๆทาอะไรไ้วยล้างชามอย่าไปใจุ่งซ่านอย่าไปคิดน่นคิดนีุ่กิอย่าไปเรื่องไม่ปเรื่องมาคิดน่ทงานไปใจก็อยู่กระถวยที่ล้างนี่ล้างไปแล้วก็เห็นถ้วยมันสะอาดเพิ่มขึ้นก็โดยไม่รู้ตัวมันมีปีติอย่าง อ, อ, อ่อนๆคือว่าสิ่งที่เราทาสำเร็จก้ามหน้าไปเนี่ยทให้จิตใจของเราเนี่ย้าไปกับความอิ่มใจว่าเราตื่มใจดีใจนๆที่เราได้ทำงานการงานไปดบ้แต แต่นี่ก็คือการฝึกสมาธิด้วยนะแล้วจิตใจของเราคดี2ไม่ได้ปีติอิ่ใหญ่ให้หาเก็บปีติจากสถานการณ์ที่เราเจอเลยจากการงานการอะไรที่ทำ จ, จากยิบเ้าอะไรอะไรหาปติไปเรื่อยๆอย่าไปทำใจใฟุ้งซ่านกังวลเพียรไปในสาก็ปสัสสธิปสัสสธิแปล ว, ว่าความผ่อนคลายผ่อนคลายไม่เครียดนะ่ผ่อนคลายสงบเย็นนะพอจะเพียก็มีสติสตินี่เจะเป็นตัวเตือนพอมีสติปักหยุดเลยสตินี่จะเป็นตัวกั้นกระแสพอมีความโกร ม, มีอะไรไม่ดีในใจพอมีสติปักหยุดทันทีแล้วสติไปก็เดินต่อแต่ที่นี้ว่าถ้าเรามีสต เย็นใจเย็นใจตัวตัวปัจสทีเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายกับจิตพอใจผ่อนคลายเนี่ยกายจะผ่อนคลายด้วยนถ้าใจเครียดกายจะเครียดด้วยเนี่ยที่สมาธิทำไมเขาใช้ประโยชน์เพราะว่าหมอเดี๋ยวนี้ยอมรับแล้วนี่ว่า s t e s ความเครียดเป็นที่มาเขาโรคภัยข้นยอแยะใช่ไหมล่นี่จุดเนี่ยก็คือคนเนี่ยสภาพจิตปัจหายไปไม่มีนั่นก็ต้องสร้างปัจจุขึ้นมาแต่ว่ายจวาตัวแรกเนี่ยมันโยงกันอยู่มันมีปลาหมดปิติแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจุนมาเองนียเพราะคนเราลื่นใจมีปิติอินใจก็ปั พอคิดแล้วเส้นเลือดบางอะไรพงมัผิดปรติหมดเลยดันั้นโบราณจใช้คำว่าเลือดลมให้เลือดลมมันเดินดีพอปัสาวที่ผ่อนคลายร่างกายจิตใจผ่อนคลายหมดอาวัต่างๆทังานได้ตามปรติของมันเลือดลมเดินดีสบายไปแล้วดังนั้นให้ปัสาวที่มาเป็นบุพเภาพเป็นตัวเริ่มต้นเข้าสู่สมาธิพอปัสสาวะที่แล้วต่อมาตอตามด้สุขสุขก็สงบสบายใจคล่องโล่งไม่มีอะไรดิบขั้นสุขก็ตรงเข้ากับทุกทุกแล้วดิบขั้นติดขัดขับค่องสุขก็โล่งกัคล่องไม่มีอะไรติด อันนี้คนที่ไปสูสมาธินั้นต้องอาศัยความสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้เกิดยากที่สุดจิตใ จ, ใจมีทุกข์นี่พอเรามีปลาโมดปิติประสทธิสุขสมาธินี่มันเป็นกระบวนการตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติจิตมันจะเดินเองอันนี้เมื่อคนฝึกสมาธิมาได้ไปในตัวคือได้ประสิทธิความผ่อนคลายน่ะที่ว่ามันก็เลยไม่เครียดนะแต่ว่าข อ, องพวกเจ้าทละทนายไปครบร อ, อาจจะไม่รวยสัมพันธ์ได้ยังไงสมาธิเราไม่เครียดใช่หมก็เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการที่ท่านบอกแล้มีปลาโมดปิติประสิทธิสุขสมาธิแล้วพยายามสร้างให้ห้าอย่างนี้เป็นคุณสมบัติ นี่ถ้าเราเคยสั่งสมฝ่ายไม่ดีไว้จนคอยกลุ้มคอยกังวลผมนั่งที่ไหนก็คิดเรื่องน้นเรื่องนี้เกิด เ, เรื่องกะทบนนนิดน้หน่อยได้เห็นสิ่งนั้นขัดตาขัดใจพอมานั่ง เ, งเนะงนี่ยก็อาลดึงได้สิ่งที่ระทบมาคิดปรุงแต่งนนี้ายุ่งเลยนะนี่เปลี่ยนใหม่สร้างสภาพจิตเหล่านี้พอเป็นได้ที่สงบ ป, ปับ๊บไม่ยอมลเรื่องะทบกะทังไเอาเลยนะีผ่านปล่อยเอนะาเท่านั้นให้อันนี้เข้ามาให้ฟ้าหมดปีติกาสติสุดสมาธิี้เข้ามาประจาใจรองใจตัวเองแล้วก็ต่อไปก็ดีพอมันเคยชินแะล้วต่อไปมันเป็นอั เ, เอสร้างจิ ย, ย่างนีด้วยท่าเนเาใช้บุญน่ชนทาเนี่ยนนเป็นบริขารของจิตบริขารคืออะไรบริขารก็คือตัวประกอบมปรุงแต่งจิตเราไปทบุญเนี่ยเร า, เราจัใช้ด้วยราทีเราไม่สามารถเราสร้างสภาพอเราไม่เป็นใช่มเราไม่เข้มแข็งพอเราลงร่องเรื่องไม่ดีลงร่องก็คือว่าเราเคยคิดแบบนั้นเคยทจิตให้วาดให้กลัวให้เพียนพอไปนั่งที่ไหนปมาทันทีเลยนก็ลงร่องไปแล้วแกยกราต้องหาพลังที่เข้มแข็งมาสู้นี่ก็การฝึกจิตใจบางทีสู้ไม่ไหวตอนแรกต้องมีกัลยาณมิตร หรือมันก็เอาพฤติกรรมที่ยาบกว่าไอ้กพฤติกรรมเชิันของหยาบใช่มมันจะมาช่วยทำหน้าที่คือไปทำบุญทำกุศลใหพบสถานการณ์ที่มันเด่นเนมันจะเป็นนิมิตขึ้นในใจมันเป็นสัญญาที่คมชัดเวลาไปนั่งที่ไหนปั๊ไอภาพที่พุด้มในใจแล้วก็เป็นตัวนาให้จิตเนี่ยไปที่ดีนีถ้าเราไปทาบุญไว้เราเวลาทำเนี่ยถ้าบอให้ทำด้วยเจตนาครบสามีบุพระเจตนารเตนาการทําตั้างไว้เข้มแข็งตั้งใจทำความดีมีเมตตากรุณาให้สูงมีศรัทธาให้มากค ให้จิตนี้เกิดขึ้นอีกสภาพจิตที่จะไปทำบุญเนี่ยระลึกขึ้นมาปลื้มใจทุกทีนะพไปทบุญไว้ตอนนั้นตั้งจิตไว้ดีทาสภาพแวดล้อมดีสถานการณ์ดีแล้วนี่ใช่ก็เป็นภาพที่เด่นชัดพอระลึกขึ้นมามันก็พอภาพตอนนี้เหตุการณ์นี้ขึ้นมาในใจปั๊บสภาพจิตยันนันเกิดเลยนะที่เคยไปแล้วมันปลื้มใจสบายใจ มันพอมกขึ้มาถึงสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นขึ้นมาไอความสุขภาพจิตดีดด้วยทันทีเลยนั้นท่านก็ให้ทำอย่างเี้เพราะว่าไปทบุญมาแล้วมันจะได้เป็นเหตุการณ์ที่เด่นเหมือนอย่างคนไปทำบุญฝัรูปนมิดไปติดทอรูปนีมิดรูปนีมันใหญ่มาเป็นรูปกลมๆไปหนีบเริ่มใช่้หมมาเป็นนิมิตติดใจนี่เวลาไปนอนไม่แ่เจ็บป่วยนี่มันขึ้นมาในจิตไงเวลาเราไปนอนเจ็บป่วยเนี่ยสารพัดมันแย่งกันแย่งที่กันในใ้เราเนี่ยไอโน่ิต่อมาไอนี้ต่อมา นอนอยู่เจ็บข้าอยู่เตีมนโผรมในใจแล้วนะ่สถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นต่ตาง ม, มาด้วยใจใจก็ดีมีความสุขปลื้มใจไปเลยห อ, อย่างง่ายๆอย่างญาตโยมมาวันนี้ถ้าปับรูปแต่งจิตดีมีความสุขใช่ไหมไปนึกเมื่ไรามรึกเหตุการณ์นี้ปับจิตใจสบายมีความสุขบุญเร่เกิดทันทีอันนี้ทนเรียกว่าอ布拉 ร, รเจตนานี่ถ้าเราทำอย่างนี้ไว้ต่อไมันเป็นบริขารทุ ก, กจมันเป็นตัวรุงแต่งจิตพอไปอยู่ที่ไหนจิตมันไม่มีอะไรเราเคยว่าเวง้อยเงาเล็มันไม่อ้อย <laughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็เลยเป็นุบายต่างๆเรื่อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็อย่างเื่งบงสกุลเป็นตายเลยเนี่ยก็ระ ว, วังอย่างดีเราไปติดปกล ร, รามามรคือไปยึติดในรูปแบบแล้ ว, ลวก็เลยเคลิไปเลยนะี่ดีไม่ดีก็เลยอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาตัวเองเราต้อง้งว่านี่เราใช้เป็นที่อาศัยมาพะั น, นี้เรายังไม่แขแงพอเราต้องอาศัยสถานการณ์แวดล้อมอาศัยกลยามิอาศั ย, ศยวัตถุมาเปเครื่องทั้วจิตนำจิตต่อไปเราต้องพัฒนาให้สามารถสร้างมาไดใจตัวเองและต่อไปก็จะเองเพราะพั้นจะไปเป็นฝาหลาหนา ถ้าแฟนเขได้ประโยชน์แต่ว่าตั้งอย่างที่ว่าแล้วมันเป็นเส้สิ่งที่มาช่วยแก้ปัญหาสำหรับผูุ้ชนที่ยังมีอวิชาความไม่รู้และก็อยู่กับตามากหน่อยรัการองเจ้าพะเจ้ากาเมตตาวิจณเรื่องสิทธิของการตายด้วยได้ครับสิทธิเขาการตายเคยพูดไว้แล้วไปพิมพ์้นอ อ, ออยู่ในหนังสืออะไรไม่รู้เคยพูดไปแล้วหรยอพอนี่เป็นหนังสือเป็นเป็นเล่มเลจอาหนังสือดีหรือจะให้ตอบดีตอบดีคือแน่ล่ะแหะชีวิตของแต่ละคนเขาก็จะถือว่าเป็นสิ โดยทั่วไปในขั้นตอนเรายอมรับก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะมันมีสองตอนสิทธิเนี่ยดูที่มนุษย์บุตุชนตกลงกันใช่แต่ว่าอย่าลืมมนุษย์ุตชนนี่พัฒนาไปเป็นพระอายะได้นะนันไอสิ่งที่ตัวเคยยึดัเป็นอย่างนั้นในตอนเป็นบุตชนเนี่ยตอนพัฒนาต่อไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คนที่เป็นอญาญรู้ดีกว่าเข้าใจกว่าเนี่ยจะไม่เห็นอย่างนั้นพราะนั้นแล้วการตัดสินใจในเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งก็ผิดได้เพราะทุกกาวพันามันบีบคั้ มตง่ายๆบางทีถ้ารักษาไปอาจจะไม่ทายก็ได้แต่ว่าชิงตายซะก่อ น, <c oughs> ในใช้สิทธินี่ในกรณีนี้เรียกว่าใช้สิทธิผิดใช่หนั้นก็มีอันตรายเหมือนกันนะหรือว่าบางทีคนนั้นอ๋อขอบใจคคนนั้นอาจจะรู้สู้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าไม่ได้ <c oughs> คนที่เขาอยู่ในภาวะจิต ท, ที่ดีปัญญาเขาดีเนี่ยเขามองสถานการณ์ออก <c oughs> เขาอาจจะเห็นว่าคนนีตัดสินผิดก็ได้คนไข้เนี่ยนะใช้สิทธินี่นั่นบางทีคนที่เป็นอยู่แต่ถ้ามีเมตตากรุณาแท้เนี่ยอาจจะตัดสินใจได้ดีกว่าใช่ไหมนั่นก็เลยอางปิงจะเอาเป็นเด็ดดขาไไ่้ ได้บัญญัติเป็นตัวบทกฎหมายเพราะมันเป็นเหมือนกระดาบสังคมเป็นอันตรายนิดตัวย่ะและอย่างทางพุทธนี่พระท่านสอนไวน้นคนเรานี่นไดูไดนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นเลยหลายท่านเนี่ยสเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนจ้ามรณภาพนั้นทางพุทธศาสนาในคนไม่มีทางผิดหวังเลยเราสามารถได้สิ่งที่ประเสริฐสุดของชีวิตแม้ดามสุดท้ายวินาทีสุดท้ายที่เจ็ตายเลยเหมือนอย่างพระอรหันต์บางท่านเนี่ยถ้าเจ็บป่วยรุนแรงมากและถ้าพิสถานการณกับพิจารณาเวทนาความเจ็บไข้เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาในตอนสุดท้ายเลย แล้วเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยากให้ว่าละเอียดอ่อนมากมันมีอะไรที่ที่ว่าเราอาจจะมองมาถึงแล้วก็เราจะมองแค่ด้านจิตต้องนอน่าปัญญาอย่างที่เราบอกว่าคนจะตายจะทางไงจะให้ตายดีสมัยโบราณเราก็ต้องบอกให้จิตมยด์สิ่งที่ดีเรามีการบอกอรหังใช่ไหจิตของคนตายเนี่ย จ, จะปั่นป่วนฟุ้งซ่านพิทบกตงบนก็พรุนพล่านไปพุนวายไปหมด นี่ก <últ im temps> ็ให wow. <sh> ้ม oh, ีคนที่มาช่วยนาจิตซะเอาอะไรที่ดีๆมาบอกให้จิตเขากับกับสิ่งที่ดีอ๋อคุณปูคุณตาวันนั้นหน่วยปีนั้นเดี๋ยวไปทาบุญที่นั่นนะเออเนี่ยยันที่บ้านเมื่อกี้น่ะเอาไอ้นี่มิตันหนึ่งขึ้นมาให้จิตมาจับมันก็อยู่กสิ่งที่ดีก็ทำให้จิตเปลี่ยนไปแล้วจิตก็ผ่องใสเลยจังตานี่ก็แบบนี้ก็คือให้จิตเนี่ยยึดอยู่กับสิ่งที่ดีก็ถือว่าตายดีแต่ทีนี้ถ้าคนนั้นเก่งกว่านั้นใช้ปัญญารู้เข้าใจชีวิตตามเป็นจริงมองเห แต่รื่สิทธิที่นี่เอาเทนะีก่อนพอได้นเลยอันนี้ก็มีทาานมามีอยู่2เล่มเล่มนึงชื่อชาวิศวชนาเทคโนโลยีการแพทย์กับเยเียนพุทธเล่มหนึ่งแล้วก็เ่ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดีเทาั้นอีเล่มหนึ่งี่เล่มนี้ก็น่าจะตรงช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดีเพราะฉะนั้นลองช่วยกันคิดเอาคาถามจากปกหนังสือเนี่ยมาช่วยกันตอบสิลองช่วยตอบที่หวงพ่อเจาเอาไหนช่วยให้ตายเร็วก็ช่วยให้ตายดีเอาไหนช่วยตายดีดีกว่านี่ยเพราะฉั้นเนี่ยบางทีมันช่วยให้ตายเร เรืจะมีคำสามรมาเลทประธานการเรียนาสอาจารย์เรื่องออสมมาทิฏฐิเนี่ยเ อ, อเอ่อเคยเข้าใจว่าสมาทิฏฐินี่หมายความเห็นชอบในทางาศาสนาเนี่ยคือความเห็นชอบเข้าใจในใจรักในสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติแต่ใน้แห่งเนี่ยจะรู้สึกขอบเขตของสมามาทิฏฐิทีทท่กล่าวในศาสนาพุทนีค่อนข้างกว้างน้ำแห่งกล่าวถึงการเชื่อในสงสารเชื่อว่าถ้าต้องเชื่อในการตายและเกิดใหม่ถีจะถือว่าเป็นสมาทิฏฐิของชาวพุทธทางการเรียนขอร์อาจารย์ให้ความระจ่างแจ้งหน่อยครับอันนี้ไม่มีอะไรมาก คืออย่างนี้ท่านแบ่งสมารถติดเป็นสระดับนี่ทัดเลยพระพุทธเจ้าสสมารถติมี2อย่างคือสมาติที่เป็นโลกิยะสมารถติดที่เป็นโลกุตระน่พอโยมได้ยินอย่างนี้ต่างใจแห่ยอะแล้ว้สมารถติที่เป็นโลกิยะเป็นไงเชื่อกรลีดี่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นี่ที่โมาเชื่อว่าสิ่งที่ทาไปแล้วมีผลไม่ว่างตาเชื่อว่าบิดามารดามีเชื่อตายตายแล้วเกิดอะไรต่างๆหล่นี้เลยเพราะนั่คือสมารถติที่เป็นโลกิยาส่วนสมารถติที่เป็นโลกุตระก็คือเข้าใจความเป็นจริงของ Wow. ระดับของ aviation, well. กรรมก็คือยังอยู่การสัมผสรวบเรื่องต้นากัทำเรื่องต้ปุุชนที่ยังมีตำหามีความยากมีอวิชชาใช่ไหมตรงนี้ยังมีเรื่องกรรมอยู่ยัมีเจตนาว่าจะเอาเงินยังงี้อะไรต่างๆเจตนาดีชั่วเป็นุุมันก็อยู่ในกฎแห่งเหตุใจในระดับของกรรมคือเรื่องของผในการกระทของที่สัมผัสกับเจตนเตนาแต่ทีนี้พอไปโลกูตรสมาติมันเป็นระดับของความจริงของสิ่งต่างๆตัวธรรมะเลยธรรมชาติแท้ๆเลยตอนนี้มันพ้นการยึดติดแล้วใช่ไหมเลยมาเป็นเรื่ เราจะเจริญงอกงามในธรรมของพุทธเจ้าแน่นอนพุทธเจ้าตัสไว้อนาเลยฟูเซอร์ีและเดียวไม่จบคือแค่ปลาโมดูเดียวในปณิพันได้เลยอ่าปลาโมดชาพาโรภิคุพระเจ้าตรัสไว้ทิุภูมมากในปลาโมดนั่นแหละดูใกล้ปณิพันธ์เลเพราะงั้นนั่นใครคิดว่าถ้าเราทำใจปลาโมดได้เนี่ยเราอยู่ใกล้ปณิพันธนะเดาเลยก่อนปลาโมดเ